โยมวันนี้เป็นกรณีพิเศษจะไม่บรรยายข้างเดียวหรือบรรยายตลอดเหตุก็คือว่าจะประหยัดเวลาที่ถูกสื่อบ้างหยัดโยมบ้างมาถามปาัญหาบางทีมันก็ซ้ำไปซ้ำมาถ้าเราต้องเอาเวลาไปตอบเรื่อยๆแล้วก็เสียเวลาตอบไปตอบมาก็เลยทำหนังสือกับซีดีชุดบรรยายวันเนี้ย จะได้เป็นซีดีเพื่อใครสงสัยข้อนี้ก็เปิดโอเอ็ M. ฟังโอเอ็ M. ไม่ต้องให้มาตอบร้อยเที่ยวมันเสียเวลาเยอะเพราะว่าหลายช่องหลายสื่อามไปถามมาก็ว่อนี้ก็เลยรวบรวมปัญหาที่ถามเยอะๆเอามาบรรยายสักวันนี้เลยอ้าวเชิญท่านแรกที่จะถามยื่นไหมเลยช่วงนี้อ่านข่าวแล้วหลวงพ่อรู้สึกสะดุดใจสนใจโดนใจข่าวอะไรมากสุดคะก็ขอบตอบอย่างนี้ ข่าวที่รู้สึกสะเทือนใจสะดุดใจโดนใจก็ไม่พ้นไปจากข่าวที่ถ้าข่าวใหญ่ก็เห็นจะเป็นเรื่องเนปาลที่เขโดนเป็นดินไหวแต่นี้มันโยงใหญ่มายังไงที่สะเทือนใจสูงกว่าที่เนปาลเนนะี่ยแว่าไม่รู้จะผิดหรือถูกคือสะเทือนใจว่าประเทศไทยไม่น่าจะติดอันดับแย่กว่า อ, อีกหลายประเทศที่เป็นคอลัมน์ข่าวเล็กๆ แต่สนใจเพราะมันโดนใจขัดใจกับที่เราทำงานคือข่าวประกวดว่าประเทศอะไรมีศิลธรรมมากน้อยต่างกันยังไงเราควรจะได้อันดับต้นๆเพราะเป็นเมืองพุทธศาสนาเขาประกวดกันสารวจร4 0สประเทศเราเนี่ยอยู่อันดับหนึ่งรก็แสดงว่าเราแพ้อีกเกประเทศเราชะนะ40สิบประเทศแต่เราแพ้99ประเทศ ประเทศเราน่าจะอยู่สักอันดับห้าอันดับเจ็ดอันดับเก้าไม่อยู่อันดับ 100. ร้อยศิลธรรมน้อยเขาตั้งเกบเก้าประเทศแล้วในฐานะจะมาเผยแพร่ศาสนาทํ า, ทางานสอนศิลธรรมก็ต้องบอกว่าสะเตือนใจเมืองไทยเป็นอะไรโปรโดกันไม่ขึ้นแล้วเลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจัดอันดับที่เราเสียหายไม่ได้ที่หนึ่งที่สองมาเนี่ยเพราะเรามีกิกเยอะเรื่องตัวแก่ชันชัแยงขวาลงอยู่แล้วก็วายางเที่ยวมา แง้ก้ น, นเด็กด้วยนี่เว่าเรื่องเพศมากมีปัญหาพวกนี้เยอะเขาก็เลยดบเราไปอยู่ดับลอยเลยแหมมันเป็นเรื่องนี่สเทือนใจต่อมาก็คือแผ่นดินไหวที่เนปาลเนี่ยอตาตมาว่ายังเป็นลองแผ่นดินไหวที่บ้านเรายมว่าจังหวัดอะไรแผ่นดินไหวที่สะเทือนใจที่สุดนคะรราชสีมาเชียงลายก็ก็โดนไปเพรสมควร แต่เป็นดินไหวที่น่ากลัวที่สุดเมื่อกี้ที่เปิดเทปคุณสนทิลิมทองคุณให้ดูเจ้า ส, สัวสองท่านเนี่ยซับที่ดินไปจ้ะห้าแสนไร่ซพีสองแดช้างสามแผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่มกี่ไร่หรอกที่ในป่านแต่นี้ห้าแสนไร่มันทั้งจังหวัดในทุนก็ไปเอากันไม่ใช่ในทุนอย่างเดียวในผลก็เยอะเจ้าสัวก็เยอะในผลก็เยอะ อาจมานี้บังเอิญไปอยู่ต่างจังหวัดมีสาขารู้ว่าบิ๊กในอดีตเนี่ยเันก็เคยไปเป็นแม่ทัพภาคว่าจะฟานซื้อไว้ตอนที่เขาไปมีอํานาจบีบบางใด้จิงถูกต้องบังกแล้วแต่คนละพันสองพันไรถ้ามาว่าไม่รู้เขาเล่นละครหรือว่าทําจริงนะที่จะเอาคืนพื้นป่าที่จะเอาที่ดินออกชนดมั่วๆกั น, นคืนมาให้ได้ในยุครัฐบาลนี้ถ้ารัฐบาลนี้ทําไปสําเร็จประเทศไทย เกิดเปาบุญจิ๋นในรัฐบาลนี้แตา่ธรรมาเชื่อว่ามันจะเปาบุญจิน๋นหรือว่ามันจะเปาบุญจิ๋นปลอมเพราะว่าโกงกันบระเลยไว้วอดจริงๆนั้นอันดับแรกเนี่ยในใฐานะทํางานสอนศินลธรรมเมื่อเราตกต่ำไปโยนดับร้อยเนี่ยเขาแซงหน้าเราไปเก้าสิบเก้าปรตยมทํางานนัแพ้เขาอ่ะยมจะเตือนใจไหมเป็นอินไหวที่อื่นแล้วก็พอรับข่าวสลดใจเสียใจกับเขา แต่ที่สะเทือนใจเราเนี่ก็คือเรื่องเราทำงานยังไงไม่ได้ผลมันฟิกตรงกันข้ามเลยล่นไปอยู่ขนาดนั้นมันอายเขาไม่โยกแก่งร้อยสี่ประเทศเขาชนะเราเก้าสิบเก้าประเทศสองที่ว่าแผ่นดินไหวที่น่ากลัวที่สุดคือมันยึดครองรที่ดินล่ามโซ่แผ่นดินทำให้ดินไม่สามารถจะขยับขยายทำคุณทำประโยชน์และประเทศไทยเป็นประเทศจัดสรรแบ่งส่วนที่ดินเนี่ยตสุดของโลกหลายประเทศอีก จำตัวเลขไม่ได้ว่าเราอยู่อันดับที่เท่าไหรแต่ลังท้ายอีกการแบ่งสรรจัดสรรที่ดินไหนกินทํากินเนี่ยประเทศไทยต่ำปลาหลายประเทศก็พระปล่อยให้เจ้าสวัวคุณพลในพลเข้าไปครองได้คนละแสนสองแสนลยแล้วจะเหลืออีกเท่าไหร่บางคนนี่โวจะเรียนนะถ้าทั้งประเทศกักบประชากรเท่าเนี้มันน่าจะได้คนละสิบปลายหรือห้าสิบปลแต่บางคนไม่มีแม้แต่ตารางวาเดียวมันน่าสะเทือนใจตรงเนี้ยอา้าปัญหาอะไรต่อไป หลวงพ่อเหน็ดเหนื่อยทำงานเผยแผ่มารู้สึกว่างานเผยแผ่ที่เห็นจะมีเป็นผลอยู่บ้างคืออะไรอันดับแรกเลยก็ต้องบอกว่าที่เห็นผลก็คือการเปลี่ยนแปลงการทำบุญที่รู้สึกพอใจมากเมื่อก่อนเขาถวายบุรีมาภูพระอามากเทศจนได้รับรางวัลจากอนามัยโลกประเทศแคนาดาได้สององค์หลวงพ่อปัญญาทาให้มาภูบุรีในทายาทานเนี่ยหมดไป สองสิ่งฟุ่มเฟือยเหลือเฟือเกินจําเป็นเช่นเข้าปรรษาจะมีต้นเทียนเยอะเอามาก็เทศจนเปลี่ยนแปลงเป็นหลอดดีอ่อนเป็นหลอดไฟเดี๋ยวนี้ต้นเทียนลดลงไปบู้บ้าเลยและไปเทศงานศพก็เปลี่ยนจากพวงหลีดเป็นเครื่องกีฬาเนตรนาฬีลูกเสือพัดลงพัดลงเดี๋ยวนี้น่าเปลื้มใจงานศพเริ่มเปลี่ยนเป็นพวงหลีดไม่เอาแล้ว มาเป็นของที่เด็กๆเพราะสวดเสร็จเผาเสร็จจะได้เอาไปแจกเด็กยากจนองค์ฤทธิไม่มีพระองค์ไหนจ้องอะ่ะแล้เดี๋ยวเสร็จจะไปแฝนหน้ากุฏิแต่ถ้เป็นพัดลมพัดลมเนี่ยเอตัวของเราี่กุฏิไม่ค่อยหมุนและวันนี้นานจะเป็นของเราได้นี่และก็ที่เปลี่ยนมาปลื้มที่สุดเห็นผลที่สุดในขณะนี้ทําให้ได้ปลูกต้นไม้ชมพูมะม่วงพันธุ์ดีๆให้ยอมเนี่ยเปลี่ยนจากการสวายสังฆทานถึงมี น้ำมันพืชเกลือน้ำปลาพระอย่างจะมาไม่มีเวลาจิ้มทอดผัดอะไรหรอกทำให้ได้ปลูกต้นไม้เยอะขึ้นแล้วก็มีผลมีลูกอะไรออกมามากขึ้นที่รัดระมาเนี่ยเกาให้สายยาวไปเป็นวัดสํามอินอินป่าอินท้องอันดับหนึ่งมาได้ผลละหมากนักมาใจกินบุญก็ได้ใ้ก็เต็มมันกำลันงนี้สองอินสมองคือในเพชรมือถือซีดีสำหรับไปอ่านไปฟังทําให้ได้สติปัญญา เป็นอาห์สมองสุดท้ายอิ่มอกอิ่มใจเพราะที่ว่าเนี้ยมีเจ็ดอีคนชะลาอีคนพิการหมาวัวควายเชือกเทียตใครมาทางนี้ก็ไปทั้งบุญทั้งธรรมทั้งปุย๋ยทั้งต้นไม้ปีนี้ได้เป็นแสนๆเลยแทนที่จะไปมีถังจักรานทั้งบางๆแล้วก็แตกเก่งมาลกวัดด้วยอย่างที่ว่าเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมหลวงพ่อจังหวัดการจนะโทรมาพย้อมหลวงพ่อ ลำบากเดินเข้าเดินออกกุฏิเหลือเกินหวงพ่อเขาไม่ดีเลยท่านบอกไม่ใจหรอกถังสังฆทานมันฝังเออเลี้ยงคนเยอะเอารถมารับกันหน่อยสิก็ไปเอามาได้หกเจ็ดแปดร้อยถังมาถึงแกะ ม, ะมาม่าหมดอายุไปปีแปดเดือนจะให้หมากินก็กลัวปวดทอ้องเออประโยชน์ในปลาปลากินได้สงสัยกระเพาะมันติดตอ อ, อเนี่นี่คือการเปลี่ยนแปลง ที่ข้างนอกนะแต่ในวัดนี่ไม่อยากพูดอะบางคนนีิเทศตั้ตายก็ไม่เปลี่ยนอะไรดีขึ้นเลยมีแต่เรื่องทําให้ปวดหัวเพราะฉะนั้นมันก็มีบ้างได้บ้างเสียบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างก็มีอย่างเนี้ยขอตอบไว้แค่นี้ก่อนปนัญหาที่สามหลวงพ่อเคยรู้สึกท้อไหมว่าเคยจะสึกหรือลาบวชนสกจากถามตรงๆเลยเคยคิดสึกไหม <c oughs> ใช่ใช่ครับเคยคิดสึกเลยครับเอ า, เ อ, าองอมคอม อ, อยากจะถามโยมก่อนโยมว่าคนที่ถามปัญหาวะหลวงพ่อเคยคิดสึกไหมส่วนใหญ่จะเป็นคนวนัยไหนส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุน้อยๆส่วนคนแก่ๆก็ไม่เคยถามเพราะก็คงมั่นใจไปเยอะเหมือนกันนะะมาผ่านนี้แล้วแต่ถ้าถามว่าโยมเคยอ่านประวัติสมเด็จพระสังฆราชไหมท่านเล่าเองท่านเคยคิดสึกเหมือนกันตอนที่ท่านเห็นพระรุ่นเดียวกับท่านเนี่ยสึกแล้วไปเป็นอนุศาสนาจารได้ยศพันเอก อะไรเงี้ยท่านก็เลยอยากศึกจะไปเป็นอนุสานอาจารย์เหมือนกันแต่แล้วพอท่านบวชไปท่านเกิดพริกที่โยมแม่ใช่ไหมยอมแม่มมแมออก็ร้องยานี่คนที่คิดสึกเนี่ยบางทีก็อ้างว่าไปเลี้ยงแม่บ้างไปอะไรต่ออะไรบา้างแล้วถามว่าทําไมมาคิดสึกไหมคิดเมื่อภรษาที่หกที่เจ็ดเนี่ยคิดเกือบจะไม่ได้อยู่ในสัําไปแต่แล้วโชคดีระหว่างความคิดสึก ก, การคิดเห็นประโยชน์ของการบวชเนี่ยการคิดเห็นประโยชน์ของการบวชหล่อเลี้ยงใจได้ดีที่สุดประโยชน์ตน้นๆ้นไม่ต้องอะไรคือใช้เวลาทุกนาทีให้มีประโยชน์ถ้าเราเป็นกระวาสจึกออกไปเนี่ยอาจจะเสียเวลาไปกินเหล้าอาจจะเสียเวลาไปตืนกามเกียดอะไรพวกเนี้ถ้าวันวันหนึน่งไปติดเรื่องกินเสียเวลา ก, กับการทำมา ก, กินเสียเวลากับเตรียมของปรุงของจะกินแหมวันนี้ดูข่าวแววๆเข า, ววขาบอกว่า ไอ้ครูชกกระปาเกี่ยวเนี่ยมันกินอาหารมื้อละห้าหมื่นมื้อเดียวนะห้าหมื่เราซัดสามเดือนเล ย, ย, ยห้าเดือนอยังไม่หมดเลยยอมแต่มาว่าแต่มาไม่เสียเวลาเรื่องทําของกินล้างของกินทําถ้วยอะไรเนี่ยแค่นี้ก็โอ้โหลงเลยเหลือเวลาดูจิตดูใจเหลือเวลาดูชีวิตด้านในเหลือเวลาทําอะไรกับชีวิตทั้งตัวเองและสังคมสองกาม เราไม่ต้องเสียเวลาเรื่องกามไม่ต้องไปนั่งเกี่ยวนางพรอดลัดนางลูปนางจูบนั่งคลำนางเซฟนั่งกอดนั่งรูปเนี่เขาบอกว่ามันหมดเวลาเท่าไหร่โยมชีวิตคนในชาติหนึ่งเนี่ยนสี่ปีกว่าที่หมดไปเรื่องเพศเรื่องกามเนี่ยยังไม่ได้คิดถึงเรื่องหาลูกสวยๆเสียงเพราะๆกินนองหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสนุ่มหนวดที่ไม่เกี่ยวกับเพศรูปสวยเนี่ยภาพสวยวิวสวยไปนั่งดูกันนะบางคนนี่มันนั่งดูวิวน่าดูนะขึ้นไปชมวิว นอนปีนก็เหนื่อยจะตายดูวิวลูกสวยๆเสียงเพราะๆกลิ่นหนอหอมรสอร่อยอร่อยสัมผัสนุ่มนวเนี่ยท้าเรียกว่าการมลท่าแตมาไม่ได้บวชมันจะถูกจกเวลาไปเรื่องนี้เท่าไหร่แล้วเวลาที่ไม่ถูกจบไปเนี่ยเราเหลือเวลามาทําประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยสร้างวัดสร้างโครงการเนี่ยมาหาสาลเลยแรงเหลือเวลาเหลือมาทําเรื่องนี้ประโยชน์เกิดมาหาสาล ถ้าถ้ามาไม่บวชหรือบวชแล้วไม่อยู่วัดส่วนแก้วจะมีไหมเพราะมันล้างไปแล้วนี่มันเกิดเพราะได้บวชได้ทําอะไรอะไรมากมายมหาศาลเพราะได้บวชเรื่องเกียรติก็ไม่ต้องไปลงแข่งขันแย่งกับใครระดับอบตอระดับจังหวัดระดับชาติไม่ต้องหาเสียงแข่งกับใครวันวันหนึ่งปากแต่นี่จะไปแข่งหาเสียงนโยบายกับพูดแต่เรื่องธรรมะให้สิ่งไห้พรไม่มีเวลาไปพูดหาเสียงหาคะแนน โหมันเหลือเวลาทําประโยชน์มหาศาลแค่เอาตัวเดียวอะโยมแค่เวลาเต้นนะโยมโยมรู้ไหมคนอยู่ยนี้มันดิ้นเต้นกันขนาดไหนวันสงกรานต์น่ยมันดิ้นกันหกเจ็ดชั่วโมงแต่มาเนี่ตั้งขบวนมาสี่สิบอ้าไปไม่มีเวลาไปแฝงไปดิ้นไปเต้นสวิงอะไรทีนี้มันหมุนอะไรแปลกๆเนี่ยมันขาขึ้นหัวลงเลยต่มาไม่เสียเวลาเรื่องนี้เลยบวชแล้วได้สงบได้ส ง, งียมได้เอาเวลามานั่งคิดตึกตรอง ได้เตรียมสังขารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่ใช่พร้อมดิ้นเต้นลำมันเสียวเวลาไ ป, ปเปล่เปล่าอ่ะบท่านทําให้มองเห็นว่าเรามีเวลาที่จะเอาชนะกิเลสได้มากกว่าเป็นเพราะว่ารู้สึกไปแน่นอจนจนกระทั่งวังเกิดความรู้สึกว่าเราเนี่ยมีเวลาเอาชนะกิเลสได้มากกว่าที่จะไปเอาชนะใครก็ใครจนเกิดวาระกรรมวัดทองขึ้นมาสักครั้มันเกัน เรายอมแพ้คนเพื่อเอาชนะกิเลสดี้พอายอมแพ้กิเลสเพื่อจะเอาชนะคนพอคิดถึงเรื่องประโยชน์ที่ได้จากการบวชอารมณ์ที่คิดเห็นประโยชน์การบวชมันไปกรอบลบอารมณ์อยากสึกตอนนั้นเนี่ยพอมันจางหายไปหายไปหายไประยะนั้น่าจะผ่านมาสักยี่สิบปีมาเนี่ยแทบไม่มีอารมณ์คิดสึกเหลือแต่ตีเตี้ยวเลย มีแต่คิดว่าประโยชน์ที่เหลือเนี่ยบรรพายชีวิตเนี่ยเราจะทุ่มเททำอะไรกับาศาสนาและจะเอ า, าศาสนามาใช้ในชีวิตเราให้สงบร่มเย็นอย่างไรได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอารมณ์เนี้ยมันปรบกระแทกอารมณ์คิดสึกกระเจิงไปมันก็เลยมั่นคงอยู่ในพรหมจรรย์มาได้จนทุกวันนี้ต่อไหมพอใจเนาะเอาข้อต่อไปข้อคิดว่าสังคมไทยมีเรื่องอะไรที่น่าเป็นห่วงในการที่จะแก้ไขและแก้ไขยากที่สุดครับ เพิมพ่มความเชื่อความศรัทธาที่ผิดทางที่เคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าพอเขาคิดศรัทธาในหลักไม่ได้คือในพระรัตนตรัยเนี่ยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เรากล่าวกันว่าพุทธัทงสระนังทุติตติเนี่ยแล้วเราก็พลัดไปจากหลักก็ไปหาลิศเดี๋ยวนี้ระหว่างพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับลิศอภินิหารปาฏิหารเรากําลังเห็นคนทําอะไรกันมากพลัดจากหลักก็หักเอ๋ก็หาลิศพูดง่ายๆ เชื่อหลักน้อยกว่าเชื่อลิศเชื่อกฎแห่งกรรมน้อยกว่าเชื่อการแก้กรรมสะเดาะกรรมสแกนกรรมตัดกรรมเพราะฉะนั้นนิกรนเนี่ยเป็นตัวตําลับตัดกรรมเพราะเขาไม่เชื่อกรรมเชื่อความเพียรพระเจ้าไม่ได้สอนให้เชื่อกรรมอย่างเดียวเชื่อความเพียรด้วยกรรมวาทีวิทยาวาทีหลักเราก็คือศรัทธาในพระรัตนตรัยก่อนแล้วก็ระบวกกับความเพียรไม่ใช่เชื่อกรรมแล้วก็ปล่อยไปตามยะถากรรม หรือคอยไปตามสแกนกรรมแก้กรรมเดาะกรรมนั้นพิธีเสดาะเคาะเสด็จกรรมจึงเยะแล้วัดไหนจัดวัดนั้นเงินเข้าคนเข้าแต่จะให้หลักธรรมนี้ยมากันแค่เนี้ฟังเก้าอี้ไว้ก็ไม่เต็มฟังเดียวเดียวไม่ทันจบก็ลุกไปเลยไปไปพิธีนะไม่เสร็จพิธีไม่ยอมไปนะเสร็จชั่วโมงก็ต้องอยู่ชั่วโมงเสรสองชั่วโมงก็อยู่สองชั่วโมงอีเทศชั่วโมงเดียวไปเลยอยให้เียหลักว่าเวลาใครก็มาชุมทำไมต้องหลักของเท่าไหน หนึ่งจะรีบพักสองจะรีบพิเศษใครคนดูเห็นดูคนดูได้ดูเทียร์รอบก็ทารีพิเสธเหรื่องนั้นดีเขาก็เชื่อได้ถ้ารีบทำ่ังทีเรื่องนั้นมันชั่วร์ายเราก็เอียหายไปด้วยโยมมันเป็นเรื่องที่หนักใจยากที่จะปรับความเชื่อถือแล้วคนเชื่อถือแล้วก็เชื่อจริงๆว่าปักหัวปั๊มไปเลยเชื่อแล้วไม่เคยที่จะอะไรพอเขาบอกว่าไม่เชื่อย่าลบหลู่เซ็จเลยเชื่อเลย ไม่ต่ออีกคำหนึงว่าถึงเชื่อก็ต้องศึกษาต่อว่ามันใช่ไหมเหตุผลนี้ได้ไหรือเปล่ามันแมทกับความจริงไหมมันใช้ได้ไหมไม่ใช่เชื่อแล้วก็ปักใจเชื่ออย่างไร่เหตุผลเลยว่าปักหัวปัววป่มเขาว่าดีก็ดีเขาว่าสักศิษย์ก็ศักศิษย์ถ้าสามคำสองคำเนี่ยคือเหงือกับความขยันเงื่อขยันรู้มลอันไหนมันเป็นหลักอันไหนเป็นฤทธ น้ำมนต์มันคิดวันต้องศักดิ์สเป็นคิดของอะไรลุภาพอาณุภาพของการบทสวดบทนั้นบทนี้แต่หลพ่อพุจธากเป็นบอกว่าเงื่อมีฝว่น้ำมนต์เงื่อคือความขยันออกเงื่อนไอ้นี่เป็นหลักแต่จะหวังน้ำมนต์เพ่อจนบรรดานี้ก็ไม่รวยไอ้นั้นไปพงนิิตะยังไงขอให้หกันหลักไว้จะเป็นหลักระเยกะถัดีเป็นหลักอิธิบาทีเพราะมันจะช่วยให้ได้เหินได้เข้าได้ของ มีอารมณ์อยากทํางานไหมมีอารมณ์พยายามไปจะทําให้มันสาเร็จไหมมีจิตกระโดดดูการทำงานไหมใครคนรไหมว่าจะทําให้มันได้ด้วยวิธีไหนทาแบบไหนมันจะสาเร็จได้อย่างมนนากมายลักค้าขายควรจะทํำยังไงดูทําเลจัดของมีคุณภาพแพ็ค ก, กิ้งสวยงามถ่าทางพูดจาแม่ค้าเราใจคนซื้อไอ้เหล่านี้มันเป็นหลักแต่ดันไปเอานางฟัก ้หน้าคนขายยังกะจะหวักมันจะฝักขครเขา้าหลักเขาคือให้ยิ้มให้พูดดีพูดเล่าใจลูกค้านี่ดันยังที่เคยแล้วอ่ะไอ้คนขายรองเทา้าชาวนมามันซื้อชาวนาเทา้ามนกใส่กี่คู่กี่คู่ไม่ได้ครับหมดแม่ค้าน่าจะพูดดีๆเที่ยวนี้ยังไม่ได้รับเบอร์ใหญ่มาเที่ยวหน้ามาดูใหม่นะนี่นันบอกว่าตีมุงใหญ่อย่างงี้จะหาที่ไหนใส่ได้มันแมวรองเท้าตบปากปาก็คืเพราะฉะนั้น คนบางคนเนี่ยนะไม่มีจุดขายจุดแข็งไม่มีสวอตในการที่วัดนี้มันขาดแขนคนเรื่องนี้มะขาดแขนฝักคนเข้าวัดฝักลูกค้ามีแต่ปากเสียให้ลูกค้าหนีหมดบางคนบอกมาวัดมีครั้งเดียวบอกไม่มาอีกแล้วเจอแม่ข่าวบางคนเขาสะดุดกลับไปเลยไม่มาอีกแล้วพวกเนี้ยจะไปขายของจริงจะออกไปขายของจะได้แม่ขา่าปากไม่เรียบลูกค้าทําไมเราเหนื่อยก็นจะตายแล้ว อยากให้คนเข้าหาศาส ศ, ศาสนาศิลธรรมไม่จะต้องไปพูดอะไรให้เขาใครจะเป็นลูกค้าวัดชนแก้วต้องหนักแน่นหน่อยเพราะไม่คาทีนี่เขาไม่ฝักมืออ้าวยอมยังไงนะก็ขอฝากว่าเชื่อให้มันมั่นคงหน่อยยังมีศรัทธาง่อนเง่นตรวจสอบศรัทธาตัวเองใครมันจะขู่แล้ววะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถึงเชื่อก็ต้องศึกษาเทียบเคียงดูว่ามันลงแมดกับเหตุกับผลไหมไม่งั้นก็ตายเลยเชื่อกันไปงมงายเรื่องนี้ เขาเชื่อพระศักสิทมีฤทิมีอาลุกข่ขออะไรด้วยทันใจเลยทำให้หลวงพ่อทันใจมาแงแซงหลวงพ่อโซตอนแร่นอาหลวงพ่อตอนเล็กิ่งตกไม่มีครอยากไปหลอกหลวงพ่อโซตอนจำลองไหมทนไปหลอกหลวงพ่อทําใจจำลองกันหลายว่าเพราะคิดว่าทันใจดีทันมีฤทธิ์จงปรรดานทําใจเลิกใหลอกหลวงพ่อทันใจกันหลายว่าเือแต่ว่านี้ไม่หลอแน่นอนเพราะว่าต้องทำไอ้ทางขั้นตอน มันถึงจะได้เรื่องปัจจัยดีมันคนเจียาทําใจัยัวไม่เก่าต้องเปลี่ยเป็นธรรใจแลี๋ยวนี้เรื่องงมงายมันเหลือเชื่อนะมันเหลือเชื่อจริงโยมไปขุดศพมาขอหวยมาเสกอะไรกันพระโดนจับซึกยอมก็โดนคดีไปขุดศพเขาอะไรหลักธรรมคาสอนมีไม่เอาดังไปเรียนจากขมินนะพระอริยสั์ไม่รู้เรื่องอิทธิบาทสีก็ไม่รู้เรื่องแต่อยากมีอิทธิฤทธ ฟังเรียนแอบล่าแล้วก็นึกอ น, นาถใจ น, นี่ก็หัวปักหัวปําเลยสึกแล้วออกกระคุกแล้วก็จะไปโรงเรียนต่อแต่ตอนนี้ประเทศจีนจองตัวไปทําวิธีเซกให้เป็นแสนเลยนะเนี่ยพระเนี่ยไปสวดได้มืน่นเรเก่งแล้วนี่ไปเซกได้แสนก็เลยไม่ต้องสอนกันแล้วพระเซกพระสอนพระสวดพระสอนไม่เคยมีราคาเท่าไหร่แล้วแต่มาเขจะไม่ทิ้งหลักนี้จะดึงโยมยากยังไงก็จะพยายามพูดเลยให้ หาหลักยาหาฤทธิ์จอมมิรยุกฤทธิ์เทวทัตไดฤทธิ์แต่เทวทัตพลัดหลักเทวทัตถูกแผ่นดินสูเทวทัตตกนรกถ้าหลวงปู่องค์เนี่ยถ้าท่านไม่มีฤทธิ์ในการเซฟเป่าขายเครื่องรางท่านก็จะไม่สร้างด่างพลอยไว้ในศาสนาทําให้ลูกหลานท่านมาแย่งเงินกับกรรมการวัดห้าพันล้านหลวงปู่องค์นี้มีเงินหพันล้านหลังจากมรณภาพพอขายเครื่องรางของท่าน อยู่นี้ประเทศจีนเขาไม่ให้พระสงฆ์เข้าประเทศเพราะเอาเครื่องรางของขลังไปขายเป็นคาร์คันรถรัฐบาลเขาก็บริหารประเทศไงให้ประชาชนเสียตังค์ไม่มีผลได้สนองตอบกาไรไม่คืนมาเลยเจ้ากับองค์ละพันสองพันมันไม่ไหวความเชื่องมงายแบบนี้แต่ทำไมเขาทำไม่สําเร็จแม้แต่คนในวัดนี้มันก็ยังงมงายมันยังเล่นเครื่องรางกันเลยนะ่ะมันเก็จกมาทําอะไรไม่รู้สะกดกันสะกดมันจะสะกดอมาด้วยป่าไม่รู้นะ มาทำพิธีปอยอาตอมานี้ชีวิตนี้ต้องเผชิญกับพวกขลังศักดิ์สิทธิ์ลิบเดดมาเยอะแหละก็ขอฝากว่าจะต้องทำให้ได้แต่ว่ามันทำยากเพราะนานาจิตตังเอ้าต่อไปคนต่อไปรัฐบาลประชาธิปไตยที่แล้วมากับรัฐบาลทหารยึดอำนาจมาทำเป็นรัฐบาล มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรก็คงจัดต่างกันในลักษณะที่หลวงพอ่อพุทธทาสท่านเคยพูดว่าทหารยึดอำนาจปฏิการเนี่ยถ้าเขาได้คนดีได้คนดีทงหานดีมีคุณธรรมและปฏิเดชการโดยทผู้จะทําอะไรฉับไวรวดเร็วดีกว่าประชาธิปไตยโอเอแถมไปแถมมาประชาธิปไตยสีดนนนทชัยพวกนั้นจะทําอะไรได้รวดเร็วลําบากแล้วก็จะเป็นปนัญหาใหญ่ที่สุดก็คือเเรียก รัฐบาลเป็ดง้อยมันจะโดนตามโดนเบรกเหมือนรถอะรัฐบาลนี้แล้วเนี่ยเหมือนรถเหยียบเบรกตลอดไม่มีทางที่จะวิ่งได้เลยต้องตีดแตะเบรกตลอดเลยแต่รัฐบาลนี้ไม่มีใครกล้าแตะไมีใครกล้าแตะเบรกเขาก็วิ่งได้เขาก็บริหารได้การบริหารในบ้านเมืองมันต้องอยู่ในภาวะที่ประชาชนสงบถ้าประชาชนมันกดดันทุกด้านเดี๋ยวยึดกระทรวงเดี๋ยวยึดสนามบินเดี๋ยวหมดเลยมันไปไม่ได้เป็นเป็ดง่อยเลยรัฐบาลนี้ก็ไม่ง่อย แต่ว่าถ้าอยู่นานอาจจะง้อยแต่อยู่เร็วๆแล้วก็ไปซะก็กพอสมควรแล้วก็ก็ไปซะแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้ถ้ามันทําเรื่องอีกก็คิดว่าตอบแค่นี้ก่อนแล้วกันหลวงพ่อว่าจุดเด่นของรัฐบาลปัจจุบันเนี้คืออะไระคะจุดเด่นเท่าที่เขาสํารวจกันใช่ไหมก็คือปราบโกงทุจริตถ้าเอาพื้นป่าคืนได้ถ้าเอาเงินจากในพวกที่โกงกินก็ดเด่นที่สุดน่าจะ เอาลายชื่อข้าราชการโกงๆเนี่ยหนึ่งย้ายออกสองปลดสามเสนอชื่อให้นายกฟันก็ฟันได้จริงนะประเทศไตโอโหเราจดถึงยุคที่ประเทศชาติจะเหลือเงินไปทำประโยชน์สาธารณูปโภคได้มากที่สุดเลยแต่รัฐบาลทางการนี้โกงนะขออภัยนะถทางการโกงในะจิปหา ย, ยิ่งกว่าประชาธิปไตยก็ อ, อานาจเยอะเห็นเาพก็ล้อเล่นนะ แม่ค้าขายของก็บอกเมื่อก่อนนี้ตอนไหนแต่ตำรวจอยู่นี้เขามาคู่กันเลยทั้งโดนโดนส่งๆๆๆๆๆ ส, งสง่งไปเออแต่แต่มาว่าเชื่อบางทีท่านนายกอาจจะไม่ตั้งใจทําเรื่องวันนี้แต่คนใกล้คิดเลยลูกน้องแล้วเดียวนี้มันเจ้าแอบอ้างแอบอ้างไปทําเสียเพราะนั้นจุดเด่นนะแต่มาว่าปราบอิทธิพลก็คือกำลัมงม็อกทําให้มีการชัเดาวทำให้มีการแช่แข็งประเทศไทย ถ้าไม่มีม็อกพิตพวกนี่จนประเทศตระเศเป็นงอยรัฐบาลเป็นง่อยเราดูไหมทีแรกเช้าปวดมือเดียวรับาลคนให้เก้าทีแมวอ่าแมวจำเส้นทางไม่หยุดยัมีเรื่ต่างรอร้นก็เห็นเอมาปันนย่างนีบแลวเห็นเขาพูดกันนะจะมาวางล้วก็ดิบเราตู้กันนี้กันไอจีว่ารัฐบาเนี้็นรัฐบาลขันใจเย็นลงเพราะว่าเขาทายาถูกนีย พอกลับบ้านม k กินข้ากับลูกกับเมียตองยางแพงพอออกปิต้อกลับไปกินล้านทเลโอเคไปติดนักร้องไงนักร้องเป็นกิ๊บสลยกินข้าวกับกิ๊ไม่ได้มากินกับลูกกับเมียแต่พอยางถูกข้าวถูกปรากฏต้องขายเลยก็ถูกยเนี้เพาถูกยอะต้องมาจงแาจบายแล้ถูกต้องกลับมากินข้าวกับลูกกับเมียเมียหลวงก็เลยชมว่ารัฐบานี่เยี่ยมมาก เป็นรัฐบาลฝันใจมีรวมจับยาบ้าคืนปืนป่ากระจัดโกงอย่างเร็วอย่างไวรัฐบาลแบบที่แล้วเนี่ยจะทําไม่ได้เพราะจะ แ, แต้มเสียฐานเสียคะแนนไปเอาที่ดินคืนก็พวกเดียวกันแต่เอาก็โดนต่อทวกเราทั้งนั้นยิกเล็บเจ็บเหนือรูปหน้าแต่ทหารถ้าเขาทํานะที่จริงก็โดนหน้าทหารหลายคนเหมือนกันในผลที่ประยุทธ์ที่ดินก็คงมีแต่ว่าเขาจะกล้ารูปหน้าปจัจจุบแบบไหน ถ้าเขารูปคําแล้วโกงฟันเลยไม่รู้ว่าหน้าใครก็หน้าใครฟันเลยถ้าอย่างนี้สุดยอดต้องเรียกว่าจุดเด่นเป็นสวัสของรัฐบาลนี้เป็นจุดแข็งของเขาซึ่งนกักการเมืองทําไม่ได้ประกาศจะเก็บภาษีที่ดินจางใจที่ดินคุณกรจะปฏิบัติโดนพวกญาติพี่น้องดา่าถอยไปเลยแม้แต่รัฐบาลนี้ก็ยังถอยนะท่านนายกบอกอย่าพูดเรื่องเก็บภาษีที่ดินก็เนีย่ยดูทสีบีสองแสนลจเจริญเพียรช้าง 3, สา0 0 0นลาย แล้วเจ้าสัวพวกนี้ประกอบกับรกบรรัฐบาลทุกชุกทุกยุคเลยเมื่อกี้เนี่ยดูดีชัดเลยทาหารขึ้นยึดนาคก็ไปอยู่บ้านทาหารตั้งรัฐบาลทักษิณก็อยู่กับทักษิณตั้งประชาิรัตฐก็อยู่กับชาติรัตฐตามเป็ น, อ น, นทอดกระถินกันสุลัดก็มาก็เฝ้าดูอยู่ก็ของตอบแค่นี้ก่อนแล้วกแบบันเพื่อเก็บชีวิตไว้ทาประโยชน์ต่อไปมันเสี่ยงมีแค่สายข่าวมาว่าหลวงพ่อได้ที่ดินคืนแล้วใช่เปล่าครับเป็นคําถามที่โยงถามจังเลย พราะว่าสื่อเนี่ยออกไปทีแรกว่าท่านพริรักษ์หินเมืองเก่าขึ้นเป็นอธิบดีกรมที่ดินได้ไม่กี่เดือนท่านก็ทราบข่าวว่าวัดเนี่ยเสียหายโฉนดออกโดยกรมที่ดินมีสัญลักษณ์การคุดแล้วทำไมฉนดถึงกลายเป็นถุงกล้วยแขกท่านก็มารู้ว่าอ้าวเจ้าหน้าที่ที่ดินออกโฉนดโดยของรัดเก็บการโอนขายเสียภาษีด้วยเมื่อรัดเก็บภาษีของทางวัดผู้ซื้อไปแล้ว ไม่เหี่ยวยาเลยเมื่อทั้งรัฐก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความเสียหายท่านก็เลยรวบรวมว่าจะปลุกกระดมฟื้นฟูความศรัทธารักชอบกันกลับมาใหม่ไม่ต้องเกลียดกับวัดไม่ต้องมีเรื่องกับพระพยอมอะไรนี่ก็เลยท่านก็เลยอยากจะทอดผระป่ารวบรวมเงินพวกชาวที่ดินและเพื่อนฟูซื้อกับคื้นมาให้วัดใหม่แต่บังเอิญพวกข้าราชการที่จิตไม่เป็นกุศลในกรมที่ดินไปฟ้องรับมนตรีมาดไทยว่า รีดไถเงินพวกเขามาให้พระพยายามทัานนั้นนี่ยังไม่ได้จัดพระบาเลยท่ะรัมนตรีก็ไในรู้เอ็นกรารจัดการมาว่าหูเบาฟังครั้งเดียวย้ายกันไปเป็นผู้ว่านครศรีธรรมราชปลดออกจากอธิบดีเลยเนี่ยเจ้าภาพหัวเรือใหญ่ถูกย้ายแล้วใครจะทำอ่ะก็ไม่มีใครเลยก็ตกลงว่าไม่ได้คืนเป็นเหมือนลุคสมัยรัฐบาลคิ้งเกศท่านรัมบุรไมุ่คสัยรบาลทิ้งท่นีก็่ไน การเลืนคอท่ขึ้นเป็นรักมนตรีกระตุดดะ้มพัฒนาสังคอความมั่นคนของมนุษย์ก็มาหาตัมมาแต่บอกจะพยายามช่วยให้ที่ดีขึ้นในวัดให้ไดแต่พอดีสำไฟตํามาเวลารัฐบาลถึงแก่สั้นหมดอายุกับรัฐบาลเดียวก่อนกาา็เฝ้าไปเป็นข่าวที่โยมเข้าใจผิดตอนแรกเพราะข า, ขาออกมาว่าจะมากับท่านภีรัสสัตว์เนี่ยจับมือกันบอกว่าเรามาดีกันนะดีกันนโยบายหนังสือก็ออกหนังสือเริ่มน้ำออกก่อน ตอนที่เหตุการณ์จะมาพริกเป็นไม่ได้เพราะข้าราชการส่วนใหญ่กรมที่ดินไม่เห็นด้วยที่จะถอนปากซื้อที่ดินขึ้นพวกนี้มีแต่เอาไม่เคยให้แล้วกรมที่ดินถึงถูกกองอันดับหนึ่งไงโรงพักอันดับสองท่านโรงเรียนรัฐบาลอันดับสามเนี่ยกรมที่ดินเนี่ยได้ติดอันดับชั่วเลยถ้าซื้อเกืนพระอาจจะลองครองกุศลยังช่วยมั้งเลยถูกจัดติดอันดับหนึ่งเลยต้องร้องว่าไม่ได้ขอให้เข้าใจตามนี้แล้วเขาก็จะมาขายตั้งเท่าไหร่ สี่สิบห้าล้านใครจะหาเงินที่ไหนไปซื้อที่แรกจ่ายแล้วสิบล้านซื้อใหม่อีกสี่ที่ดินไร่กว่ากว่าจ่ายห้าสิบล้านมันขายทองไม่ใช่ขายที่ดินแต่มันน่าเจ็บปวดหัวใจตรงที่ว่ารัดออกนโฉนดโดยคำสั่งของศาลปีนี้ศาลก็สวยนะผู้พากษาถูกไล่ออกตุลาการอะไระต่ไรโดนไล่ออกแปดคนถูกถอดคองราดเพราะสั่งมั่วไม่สอบไม่ดีพอเขามาร้องเรียนว่า เขามีโฉนดอยู่แล้วที่แรกคุณก้อนเขารองเรียนว่าเขามีที่ดินแต่ไม่มีโฉนดก็ให้ทนายล่างเรื่องมาทนายล่างเรื่องมาสา่ก็สั่งกรมที่ดินนนบางใหญ่ให้ออกโฉนดใอ้คนนี้แล้วพอออกมาได้ก็นํามาขายเราสามปีปรากฏว่าโยมมีคนมาแย้งว่าโฉนดที่ดินเขามีเนี่ยอันนีน้ออกใหม่มันก็ออกทับซ้อนอะไรเงี้ปรากฏสา่ก็เลยสั่งใหม่อีกงั้นถอนสิบเดิมเอาแล้วคนซื้อทาไงไกก็รป เกิดเป็นคนไทยระวังจะเป็นผู้ถูกกระทําให้เสียหายโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบรัชการอย่างโปร่งใสแอดการาบาลเขาลองเนี่ยยอมก็เลยตกลงว่าไม่ได้ธรรมะของไม่คิดสบาย ม, มากอาจจะเล่นสนุกสนุกเหมือนคุณอังคาามีระบายจิตภรยาสนายสงใจมีรักไปจิตแกไปปักหมุดคนไหนนานที่ธรรมะจะทำไประลึกถึงที่ที่หายขัดสนก ตรงขนมขวายทนมถึงขวยแขกอะไรอย่างเนี้ยเี๋ยผมจะทำหยอกหยอกเ้องราเรแเพราะคันอารมณ์คนที่ทำให้วัตถีอายบ้างจะเป็นเจ้าหน้กที่ดีๆเจ้ของที่ดีหรือผู้พักษาคงจะเือนอารมณ์ปัญหาที่คุณสรยุทธใช่ไหมที่แรกทำท่าจะเสียนั่นแต่มาโทรศัพท์ไปหาทีมงานชิดสินใแกพลิกอีกท้งนู้นยอมว่าคุณสรยุทธไม่ผิดที่แรกว่าผิด คงจะโดนกระแสข่าวเขาออกทางสื่อปีเจ้าหน้าที่ก็พลิกเลยตอนแรกนะที่ดินจังหวัดป่าไม้จังหวัดผู้ว่าการจังหวัดพูดก็ก็ก็ก็แต่พอทางนี้สัง่งทหารบอเอาลุยพูดปลอเลยตรงนั้นผิดตรงนี้ลุกแล้วมันมีคำหนึ่งที่จะมาบอกเจ็บปวดที่สุดเลยก็คือตามกฎหมายมันมีมาตราหนึ่งบอกว่าผู้ใดโดนรบกวนที่ต้องรีบแจ้ง ด, ดําเนินคดีกับผู้บุกรุกลบกวนภายในหนึ่งปีไม่เกินนั้นถ้าเกินนั้นถือว่าปล่อยประละเลย และจะเป็นการคุ้มครองผู้เชื่อมันในกรรมสิทธิ์ซื้อใจในโฉนโดอยู่กับตัวก็ต้องพัฒนาที่ดินเมื่อพัฒนาจนหมดสิน้นไอ้สองปีเจ็ดเดือนมันโผล่มาจากมุมมืดไหนก็ไม่รู้ทั้งเจ้าของที่ทั้งผู้ภากษาร่วมกันออกจากมุมมืดพริบฟ้องเราว่าเราได้ที่ดินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายลอให้เราทํำซะจนหมดเงินไปตั้งทบที่แปดแสนทําที่พักคนงานเก็บก็อย่าออกจากตายที่จริงแล้วกฎหมายเนี่ย เขาต้องการรักษาสิทธิผู้ที่มีกรรมสิทธิ์จะได้ไม่ต้องทุ่มหมดไปถ้าคุณฟ้องในปีเดียวก็พอแตะไปหน่อยเออฟ้องเขาก็หยุดไม่นีน่ปล่อยเราทําไปสองปีเจ็ดเดือนเลยไปปีกับเจ็ดเดือนแต่พอเราเนี่ยย้อนไปดูสิที่ก็ลกเหมือนเดิมไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าวัดได้นะคนจนได้แต่มาเก่าจะให้คนยากคนจนไปทําอะไรขายทํ า, า, ามาหากินกันแล้วก็ดูสิลกเหมือนเดิมลกมเดิมมากี่ปีแล้วจากห้าศูนย์นี่ห้าแปดแปดปีที่นี้ไม่ได้พัฒนาเลยเลย แสดงว่าสารรักษาผลประโยชน์ของใครแล้วไต่ที่เขาใหญ่ที่อะไรกันเนี่ยเขามีคําพูดอยู่คําทําไมไม่มาฟ้องมาห้ามไม่มาตรวจเมื่อตอนพวกผมเริ่มทําไปอยู่ที่ไหนกันปล่อยปลาละเลยเพิกเฉยดูได้ไม่ใช่เพิกเฉยหรอกเพิกเฉวยมันเวยกันไปจนหน้ามุดเต็มกระเป๋ามันก็เลยทําเป็นเฉยไปมันเพิกเฉวยไม่ใช่เพิกเฉยอา้าวก็ขอตอบไว้แค่นี้สําหรับที่ดินวัดเสียฟรีสิบล้าน เรายัางเสียค่าพัฒนาถมที่รอยพวกนี้ออกจากมุมมืดมาจนเราหมดไปตั้งเป็นล้านก็ขอยสังคมรู้ไว้ว่ากฎหมายมีอย่างหนึง่งแต่พวกใช้กฎหมายทําอีกอย่างหนึง่งอ่อนวอร์ในพวกเราทําตามกฎหมายแต่พวกตัวเองอ่ยถ้าได้ประโยชน์ก็ทําถ้าไม่ได้ประโยชน์ไม่ทําไม่ทําตามกฎหมายนี่เรื่อ ง, องที่ต่อไปใครจะเชื่อถือประเทศไทยเหมือนที่ภูเก็ตเขาซื้อที่ดินพันล้านพัฒนาอีกสองพันล้าน เป็นสามพันล้านถือโฉนดอยู่ดีๆมาลิฟเขาคืนเขาลงทุนหมดไปเท่าไหร่แล้วต่อไปใครจะมาเชื่อถือากัรจัการไทยเนี่ยตอนนี้ถ้ารัฐบาล น, นี้นะจัดการกลางเรื่องการจัดจา ก, การที่มั่วๆออกโฉนดมั่วออกเขาออกป่าออกอุทยานให้ในทุนเอาไปได้มันไม่ได้เพลิเฉยอะเลยตอนที่เขามาทำมันช่วยเขาไปแล้วนเลยทำนิ่งอึงแบบอ้าปะหาเข้าไ ป, ปเทศการสงการที่ผ่านมานั้น ปรากฏมีผู้เสียชีวิตและบาดเจบจากอุบัติเหตุเป็นจํานวนมากมีวิธีการอย่างไรนะครับที่จะลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลครับเราหมดหวังแล้วเนะเห็นคนที่เขาทางานหมอแท้จริงหมออะไรอะไรที่รับอาสารัฐบาลท่านบอกผิดหวังแล้วน้ําตาจะร่วงทุกครั้งเพราะตัวเลขไปได้ลดเลยสักปีเดียวมี่แต่จะเพิ่มไอ้วันสงการกับวันปีใหม่นี้มันน่าจะเรียกวันเมาแห่งชาติเพราะอุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดน้ําเมาเนี่ยเก้าิบ อักเสบเดเพียงสิเซเพราะฉะนั้นอยากถ้ายังขาดความจริงจังสองเรื่องหนึ่งต้องทําสงครา์ให้มีศิลธรรมมากกว่านี้เอาเนื้อห า, าสาระสงกรามมาให้ชัดเจนนี่เห็นพวกนายกเทศมนตรีพูดกันแล้วหมดอารมณ์เลยปีหนะ้าจะจัดยิ่งใหญ่และก็จะให้คนมามากกว่าปีนี้เห็นไหมยุทธยาโมเดลพอจัดเวทีทหารตำรวจไป อ, าอ้ามยาวเราก็มากินมันปวดทรวงตำรวจต้องยอมทหานต้องยอม เอาเหล้าเข้าไปกินแล้วมันจะไปลดยังไงเนี่ยมันเป็นยากห้ามขายเหล้ากลางทางมันก็ขายห้ามเมาขับมันก็ขับนั้นอันดับแรกบุคคลดมให้สินธรรมเข้ามาในเนื้อหาของวันสงกรารในชัดเจนว่าสงกรารจุดเด่นตรงไหนที่เราจะได้ประโยชน์จากสงกรารต้องให้รู้ใส่เรื่องนี่แหละสงกรารคืออะไรสงกรารมาจากอะรสงกรารก็จัดขึ้นเพื่ออะไรแล้วเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสงกรารโดยวิธีใดที่เราจะอยู่รอดปลอดภัยและได้ประโยชน์ ถ้าตัวนี้มันชัดเมื่อไร่มันก็จะรดบัตรเอทเหมือนปีใหม่มาสวดมนต์ข้ามปีกันซะถ้าไม่สวดมนต์ข้ามปีน่ะตายมากกว่านั้นอี่เพราะมันมือไปจับวงมาลัยมันก็ขับเมาแต่นี้มันวนปนลมมือสวดอยู่เนี่ยมันก็เลยลดไปหลายคนหลายศพสองกฎหมายต้องเฉ็ยบขาดถ้าไม่เอาสินทำก็เอากฎหมายนี่เขาดีนะเห็นไหมเขาจับย้อนหลังเขาตอนให้มันเมากันนะเขาปล่อยมันเมาให้มันละเมิดไปแล้วแล้วก็มาเช็ควงจอดตามไล่จับตอนหลังนี้บานเลย ให้พวกนั้นเสะอึกเลยตอนเล่นโนมันสนุกไม่รู้เลยว่าก้องเขาจับอยู่ถ้าไปจับตอนนั้นไม่ได้หรอกผู้ชนมันบ้าคลั่งมันต้องมาไล่เก็บต่อทีหลังใครเล่นลามกใครเล่นลวนลามใครชกต่อยตีกันฟันกันไปจับไม่ไหวหรอกคนมันมาเป็นละต้องเอาภาพเก็บไว้ก่อนจับภาพไว้ก่อนถ้ากฎหมายตามอะไรบีจริงๆริงปีหนายพวกที่โดนนี้มันจะเอาไหมมันก็ไม่เอาเนี่มันก็ทำไม่ลดได้ไหมถ้าจะลดได้มันต้องอย่างเนี้ย กดไม้เจีบขาดศิลธรรมเข้มแข็งเนื้อหาสารละสงการต้องคนก็ไปเกี่ยวข้องกับสงการต้องได้ประโยชน์อยู่รอดปลอดภัยไม่จีบไปนสนุกสนานหัวกคนฟิดแล้วเจ็บปวดลงตายสงการกลายเป็นผลานชีวิตผลานทรัพย์ทําลายขนมทำเมียมที่ดีงามลดน้ำดําหัวไอยสินนายพรกลายเป็นภัยไปเลยเอาปัญหาต่อไปช่วงไหนที่ทางวัดรู้สึกว่าได้สร้างคุณประการและเป็นที่ภูมิใจของท่านขอบคุณครับ ถ้าจัดเป็นเดือนก็คงจะเดือนเมษาเพราะเป็นช่วงที่เด็กอาทุนแล้ปีนี้มีความสุขใจเป็นพิเศษเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังคือเด็กเข้ามาแล้วก็มาของานทําเราก็ให้งานเขาทําแล้วปีนี้ก็ทํางานได้เกินคาดเลยเราซื้อที่คันดินมันเตีย้ยน้ําจมเขาก็ถมคันจนสูงใหญ่สําเร็จช่วงเดือนเมษาแล้วเห็นก็มีความสุขตรงที่โยมปีนี้พิศปกติมีเจ้าภาพมาเลี้ยงไอติม มาเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงขนมนมเนยเยอะมากเด็กเนี่ยมันบอกอูเกิดมาก็บพึ่งปีนี้แหละวะปากไม่แหง้งท้องไม่หิว้องกจานั้นอยู่แบบปากแหง้งท้องหิวเรื่อยเลยมันนอกปากเขาใครจะได้เของขไปให้อ่ะพอเขา ไ, ได้กินเขาก็สนุกมีความสุขเราก็พลอยความสุขไปด้วยและที่บอกมาคือต้นว่ามีนิติสืบดที่สุดเขากลับเขารับเงินมันพ่อ ขอผมได้ทําบุญสักนิดเถอะให้หนูได้ทําบุญสักนิดมันบริจาคคนละสิบยี่สิบห้าสิบจากที่ได้รับไปนิดนิดหน่อยๆเนี่ยมันมาขอทําบุญตอนจะกลับเนี่ยเยอะเลยโอ้โหเราปลื้มเลยตัวเล็กตัวเล็กแค่นี้วัยรุ่นอย่างนี้มาทําบุญยอมทําพันหนึ่งกับวัยรุ่นทำ 20. ยี่สิบยมว่าจะมาปลื้มหนึ่งไหนมากกว่าใช่ยอมทำก็ทาเยอะแล้วคนนี้ก็เห็นอย่างเนี้แหละพันหนึ่งอยู่เลยมียี่สิบจะแหมคุณค่ามันต่างกันเยอะ ในความรู้สึกว่าเขาบริจาคบางๆที่เขาก็ได้นิดๆหน่อยๆเพระาะงั้นเดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ปลื้มที่สุดเพราะอะไรมะม่วงมะปลางผลละมากลากไม้มันออกมาเยอะแล้วเราก็ให้เด็กกินตามสบายมันตั้งกระชุ่มให้เลยคัดไอ้ลูกกลางๆ ล, ลูกที่ไม่ใช่เป่งๆลูกเป่งก็ขายไปมันจะให้กินลูกเป่งไงกินลูกเป่งแล้วจะเอาลูกในไปขายจะได้แคันแรงให้เขา ก็ไอที่มันย่อมหน่อยเล็กนิดชำนุดยหน่อยลนมาช้ําช้าก้นแต่ต้องหัวดีก็กัดกินหัวกันกินกันปากไม่ได้แห้งเลยปีนี้ผลไม้มันเยอะแลมันออกมาช่วงนี้พอดีช่วงเขามาพอดีที่ขาปลื้มที่สุดก็คือตอนยุให้เด็กทางานให้จบให้เสร็จตอนนั้นตรงนี้คนตีดก็งไฟเสร็จผ่านเป็นไม้ตรงนี้เสร็จประจานตรงนี้เสร็จโอ้โหเกากุดน้ำตรงนี้เสร็จเขาก็ ในอลรมณ์เพากระบอกเหตุตก็บอกรูมันรุ่นกันหน้าก็บอกเนี่ยปาก็บอกคนไปใครกันียนสงเทน่าสิตังบาทนึงหาเมาเด็คนรุ่นเนี่เจียนบาทเลวา้องอเคู่อยู่ันี้ก็ับตงแหนี่แต่ถ้าวันไหน อจจอินเทอ็ตพันได้ห้าร้อยเลสิโอโหเฮเลยได้อันเลยนเรื่องน่าขามน่าสนุกทั่นใครที่เอากระบอกไปแล้วหยดมาให้ทางวัดนั่นจะเป็นอุปกรณ์สอนเด็กยุบเด็กให้เด็กมีอารมณ์ที่อยากจะทำงานให้เสร็จก็ต้องขอขอบคุณขอบใจที่เอากระบอกมาให้ ก็ปุ้มใจมากเลยถึงจะช่วงฤดูแล้งร้อนแต่เห็นญาติโยมมีเมตตาเด็กสงสารเด็กแล้วก็ตรงที่ว่าพุทธเจ้าสอนว่าเจริญเมตตาดีกว่าถวายของกับพุทธเจ้าสมเด็จโตบอกว่าแผ่เมตตาครั้งเดียวดีกว่าสร้างโบสถ์หลังหนึ่งแสดงว่าญาติโยมเริ่มเกิดเมตตาจิตแล้วเนี่ยพอจะมาไปยืนพูดเนี่ยไปบุตรได้ผลเด่งมาสี่พันเลยนะตอนแรกอ่ะ เด็กไปขายของข้างหน้าถนนนะได้แปดร้อยได้เจ็ดร้อยพ่กซื้อช่วยเด็กเอาทุนการศึกษาเด็กมันนอกจกนบทมันเด้งมาสี่พันอยูเด้งมาสี่พันขายมาม่วงขายไลไรไปไปขายข้างหน้าหน่อมงหน่อไม้แ้วหน่อไม้มันก็แปลกธรรมดาเนี่ยมันไม่เคยออกเดินเมษาปีหน้าไม่ออกปีนี้ออกมาดูเลยแล้วโลนึงจ้าหกบาทหน้าฝนนะตอนนี้สามสิบ มันขึ้นต้องเท่าสองเท่าห้าเท่าโอ้โหไม่เลิม้มยังไงใครหน่อหม้หวันสองมืถ้ามันมันออกเนื่องในเดือ ก, กักฎามันออกเยอะแต่ได้ตังนิดเดียวกัญญาออกมากกว่าตอนนี้สิบเท่าแต่ได้เงินวันละห้าพันหมื่นหนึ่งปว น, นี้สองหมื่นกว่าแบบ น, นี้ปลื้มไม่ปื้มอาจจะเป็นโยกวันสองหมื่นชี้ธรรมดาเฉพาะหน่อไมยอย่างเดียวแล้วมันดีตรงไหนหรู้ไหม ไปดูวัวฟายก็สบายใจเพราะเราปอกเปลือกอ่อนเอาเปลือกอ่อนออกก็ไปให้วัว ก, กินวั ว, วก็อิ่มหน้าเมษาธรรมาดาที่อื่นนะซวยเลยนะยากกว่าไม่มีต้องให้ฟางกินแต่นี้ได้กินหน่อไม้อ่อนเปลือกมันมันจะกินกันหน้าดูเลยอ๋อวงจรปลื้มใจมันอยู่เดือนเมษานี่ถึงบอกว่าเดือนเมษายมจะไปทําบุญที่อื่นนะขอร้องเถอะให้มาทำที่นี่หน่อยถ้าเดือนอื่นยมจะไปวัดไหนก็ไปเถอะนะ เพราะเด็กเนเนินเลยไม่มีจะไปทําบุญวันไหนก็ไป แ, แต่ตัอนเมษาขอใอยมาที่นี่หน่อยเอาละแค่นี้ปัญหาต่อไปการปราบคนโกงคนชั่วของรัฐบาลชุดนี้หลวงพ่อรู้สึกว่าเป็นการทําที่ดีกว่าชุดก่อนๆหรือเปล่าเจ้าคะและดีมากแค่ไหนเจ้าคะก็คงคล้ายๆกับข้อที่เคยปรรัฐบาลนี้มีอะไรที่เป็นจุดเด่นเชื่อมั่นว่า คําพูดที่หลงพ่อพุทธาัดพูดไว้เนี่ยท่านเราได้รัฐบาลทหารที่ประเด็ดการและประเด็ดการโดยทำเขาไม่บ้าอํานาจไม่เหลิองอํานาจไม่สืบทอดอํานาจแต่เขาจะสืบประเทศชาติให้ก้าวหน้าให้มั่นคงด้วยการปราบโกงเนี่ยแม้เมื่อสองวันก็จับยาบ้าก็จับได้เยอะแล้วก็ไล่บีเล่นคนโกงข้าราชการโกงอูห้หเอามาเป็นตับเป็นแผงเลยทรงชื่อมาทีละร้อยโดยเฉพาะสองท่าน ที่แซงหน้ารัฐบาลจุดเนี้ยในคณะรัฐมนตรีจุดเนี้ยก็คือท่านไปบุญคุมฉายารัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมกับท่านอะไรที่คุมป่าไม้อุทยานพลเอกอะไรดาวพงษ์เนี่ยรู้สึกผนึกกันแล้วไล่ลากพวกดีออกมาเอาชื่อมาส่งร้อยลายถ้าตามวีแบบรวดเร็วไม่ใช่ค้างๆเนินนานยืดหยัรัฐบาลแบบ ชาติพัฒนาเขาต้องต้องลูบหน้าปัจจุบุเขาต้องสิครัวเสียฐานจะฟันคนที่ไหนมันเป็นฐานให้เราอะเป็นหัวคะแนนให้เราอ่ะดังนักการเมืองที่ไปบุกลุกป่าเขาใหญ่เขาเย้ยเนี่ยเราอยู่ในพรรคการเมืองเจะทํำยังไงเขาก็ลําบากใจเพราะนักการปราบคนโกงคนชั่วแต่มาว่าทรัฐบาลนี้จริงใจเป็นเปลาบุญจิ้นตัวจริงไม่ใช่เล่นละครเขาจะปราบได้ดีแต่ถ้าตรงกันข้ามถ้าเขาโกง เขาจะมันโกงบรรลไัยวายวอดได้มากกว่ารัฐบาลที่แล้วเพราะอำนาจการตรวจสอบมันไม่มีอยู่ในมือเขาหมดแต่แต่เขาไม่โกงนี่ยเป็นคนตั้งใจทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองจริงๆวิเศษเลยจะอยู่ปีสองปีก็ไม่ว่าแล้วแต่ขอให้ปากโกงให้เห็นชัดอย่าลูบหน้าปัดจมูกอย่าเว้นเจ้าสัวยอย่าบอกพวกหนึ่งผิดก็ทําฟันทันทีเด็กพวกหนึ่งปล่อยลอยนวลพวกหนึ่งทําอะไรก็ผิดพวกหนึ่งก็ทําอะไรก็ไม่ผิด ถ้าจะปิดท่านนี้ก็ควรจะปิดให้มันทุกช่องอะไรไอช่องนี้มันมีเรื่อง <c oughs> นี่ก่อนก็เริ่มจักกันนองกันหนังกะนะันแหละเอาละเชื่อมัน่น่ะเรื่องการปราบคนโกงเนี่ยรัฐ บ, บาลก่อนๆนี้ยังไม่เคยมีข่าวแบบนี้ต่อเนื่องเดี๋ยวนี้ต่อเนื่องหรือฝันฝันนี่ไอพวกที่ตั้งอยู่ฟันอะไรเนี่ยไอพวกสหยุเนียนมาเกิดล้างกันในรัฐ บ, บาลชุกนี้ทั้งนั้นแม้กระทั่งลุกก็ไปถึงวัดธรรมกาย <c oughs> เข้าไปถึงขนาดนั้นได้เนี่ย แต่มาว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนทํามาก่อนพระธิษธรรมกายก็เป็นฐานของปักบางพักอยู่ก็ไม่กล้าเอาละสรุปไปแค่นี้เจริญพรหลวงพ่อรู้ตัวเห็นด้วยกับนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงไหนบ้างคะที่ชอบมากที่สุดก็คือรัฐมนตรีเกษตรที่เขาแถลงวันนั้นนะนะเขาจะทำแปลงรวมเช่นเกษตรลายย่อยไล่สองไร่เจ้าหนึ่งห้าไล่สองไล่สาไร่กระจุยกระจายเป็นเบี้ยหัวเรียกว่าแตก ต่างคนต่างทําคันเล็กๆน้ํามาก็ทั่วหมดแต่เขาจะทํารวมร้อยเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าเดียวปีคันล้อมรอบแล้วก็จัดสรรส่วนจัดสรรส่วนยังไงแบ่งที่ในนั้นอะ่ะเป็นปสัสสตว์เท่าไหร่เลี้ยงปลาเท่าไหร่เลี้ยงวัวให้มีขี้วัวใส่เป็นปุ๋ยเท่าไหร่เลี้ยงหมูหลุมเท่าไหร่เลี้ยงจริงหรีดเลี้ยงอะไรอะไรได้เยอะอยู่ในนั้นจะ แ, แปลงนี้เป็นแปลงข้าวแปลงนี้เป็นแปลงกล้วย แปลงนุ่นเป็นแปลงพืชผลพผลากลากไม้ทําให้มีซูเปอร์มาร์เก็ตในนั้นมีการเริ่มหลายด้นานลดรายจ่ายขยายโอกาสเป็นวงจรต้นทุนต่ําค่าครองชีพครัวเรือนก็เลี้ยงเป็ดก็ได้กินไข่ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องบนไข่แพงไข่ถูกเพราะเลี้ยงอยู่ในนั้นขี่อยู่ในนั้นต้นไม้ก็งามอยู่ในนั้นโอ้โหันนี้ถ้ารัฐบาลนี้ทําได้จริง แต่ตามาไม่เชื่อว่าทําได้เท่าไหรเพราะอะไรตามาเคยชวนเกษตรกรรอบๆวัดนี่สมัยมาอยู่ใหม่ๆเพราะอาไหมันทํ า, า, าทร่วมกันทําโฮมสเตย์ทาให้คนมาท่องเที่ยวมีบ้านพักลําพังเกษตรอย่างเดียวไปไม่รอดหรอกมันต้องมีเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรการท่องเที่ยวมันต้องเกษตรผสมผสานเยี่ยมเลยทําได้นะ่ะแต่กลัวว่าแต่ถ้าเขาทําสักแปลงเป็นตัวอย่าง500ห้าร้อยไร่แล้วให้เกษตรก ร, รที่อื่นมาดู ไอ้ขขาน้ําท่วมเนี่ยมันท่วมหมดอะะว่ามันมีไล่อสองไร่เกษตรกรเนี่ยเขามีลูกเจ็ดคนเขาเคยมีที่อยู่พ่อแม่รุ่นพ่อแม่สิบห้าไร่พอเจ็ดคนก็เหลือคนละสองไร่สองไร่แบ่งเป็นขันเล็กๆๆๆปน้ํามาตุม่มตายหมดแล้วอย่างหนึ่งนะั้นจะบอกอะไรให้ถ้ารวมกันทำเนี่ยสมมุติว่าจะมาไปดูที่กระบินเนี่ยสมมติว่ไอ้คนรถน้ําคน น, คนี้เกิดป่วยหรือเมียป่วยผัวต้องไปเฝ้า ม, มีคนลดด้ามอยู่กับสองคนตายใหญที่สองไร่ต้นไม้ตายไหมตายแต่ถ้าอยู่กันร้อยเจ้าไอ้ น, นี่ป่วยกระปายไอ้ น, นี่ก็อยู่ช่วยลดแทนต้นไม้ก็ไม่ตายและที่น่าเสียดายที่สุดการบริหารจัดการบุคคลเช่นมีร้อยเจ้าเนี่ยนะแล้วก็ให้ฝ่ายขายเนี่ยไปขายสักสิบเจ้าแล้วก็จดบัญชีขายได้เท่าไหร่ออกไปกี่กิโลพักกี่กิโลผลไม้กี่กิโลเย็นขายจบมันคนรจะได้เท่าไหร่แล้วในส่วนแบ่งกันคนละเท่าไหร่ แยมเชื่อไหมคนแถวเนี้ยเขามานั่งเฝ้ า, ก, า ก, กระจัดคนละเจ้าละ เ, าาากกะเจ้าห้าสิบคนเลยก็ห้สิบเจ้านั่งเฝ้ากระจัดตั้งแต่เจ้าหยดเย็นวันเสาร์อาทิตย์แทนที่เขาจะมาสักห้าเจ้าหรือสิบเจ้าอีกสี่สิบไปผลิตไปปลูกใส่ปุ๋ยพนดินรดน้าต้นไม้ก็ขึ้นน้ ำ, น, น, ำนั่งเฝ้ากระจัดต้นไม้ก็อดน้ำแล้วมันเสียค่าแรงถ้าคิดค่าแรงด้วยบวกด้วยไม่ได้เท่าไหร่เลยแทนนี่คนนึงไปเก็บมาส่งไอ้คนนี้ก็นั่งขายไป แต่คนนี้เบื่อเส็งมั่งเออเองไปขายมั่งวันนี้การทำมังม่งขบิดมั่งเกษตรกรไม่มีนี้ทศกศแน่นอนเพราะฉะนั้นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการาเกษรตรเป็นรัฐมนตรีที่มาชอบแนวคิดมากที่สุดตวนลองมาก็คือการปราบโกงของท่านพลเอกไผ่บุญแต่การเอาป่าไมา่คืนของท่านดาวพงศ์ส่วนบุราพขยั ก, ย, กยังคิดไม่เคยออกว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่ เอนขาก็เริ่มคอนฟิกกันนะทั้งนี้ผลงานลุยทั้งนู้นอืดๆเอาละอย่าพูดเลยนี่ไปเดียวลำบากอ้าวต่อไปหลวงพ่อรู้สึกยังไงคะกับความเชื่อมั่นทางเทคโนโลยีทางการแพทย์จะสามารถทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้ไหมคะ <c oughs> เนี่ย ว, วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมันจะทำให้เกิดความเสียหายต่อสอนศิลธรรมชิ้นเรื่องอันนี้จังทุกของอังนัตา เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปน้องคนนั้นแกเสียชีวิตแล้วตัดหัวแก่พระเจะเอาเซลล์เอายีนอะไรต่างๆไปทําทางเทคโนโลยีฟื้นถ้าฟื้นได้เนี่ยหลวงพ่อพุทธทาสท่านเคยพูดว่าไงนะไอ้นคนตายที่ฟื้นเนี่ยโยมหลวงพ่อท่านบอกว่ามันตายไม่จริงถ้าตายจริงมันไม่ฟื้นไอ้ที่คนฟื้นน่นมันตายไม่จริงตอนนี้เด็กมันตายไปแล้วแทนที่จะเอาเงินสิบล้านอนะที่เสียค่าตู้แช่เนี่ยทําบุญให้น้องคนที่ตายตามหลักศาสนาซะดีกว่า ยานี้ถ้า น, น้องไม่ฟื้นได้สิบล้านก็อันตราธานความเชื่อมั่นของเทคโนโลยีโยมถ้าน้องคนนี้ฟื้นได้เี๋ยวลายอื่นเอาบ้างโยมว่าแผ่นดินนี้จะพอให้นอนกันไหมเนี่ยโลกนี้เขามันมีบาลานซ์กันต้องให้ฝ่ายหนึ่งเกิดแล้วก็จะจากไปฝ่ายหนึ่งก็เกิดมาใหม่ที่ฝ่ายหนึ่งก็ไปดับไปมันไม่ใช่ดับไปแล้วดันเอาดึงขึ้นมาอีกโลกนี้มันสร้างมากี่พันปีกี่หมื่นปีแล้วมันเคยมีปรากฏการณ์นั้นไหม เมื่อมันยังไม่เคยมีจะไปคิดอะไรมันสุดโต่งทางเทคโนโลยีอยู่ทางสายกลางแล้วรอดูว่ามนเน่าก็าค่อยเผาราดูจะฟื้นตั้งสามวันเจ็ดวันนะพอได้แต่ถ้ารอเป็นสิบปีรอเทคโนโลยีที่มันจเจริญอีกข้างหน้าอีสิบปีแต่ก็ต้องไปดูไิเยี่ยมซบต้องขึ้นเครื่องบินไปด้วยนัดจ่ายไปแล้วตอนเนี้สิบล้านต่อมาก็คงห้ามความรักก็ไม่ได้หรอกพ่อแม่ทุกคนก็รักลูกแต่ว่าจะฝืนธรรมาชาติ จานแตกหมอ้อแตกแล้วจะให้มันดีโดยความนึกโอาเองเนี่ยมันคงติดตินึกไปแต่มันคงสนองตอบให้ไม่ได้หรอกถ้าเทคโนโลยีสนองตอบนะตั้มมาบอกไม่ต้องทําอะไรแค่มันไปทําให้คนที่ดีๆถูกลักพาตัวไปหายแล้วเนี่ยเอา ก, กลับมาได้ไหมเออวิน ล, ลี่สนใจนี้แล้ะพิจิตรเอา ก, กลับมาได้ไหมอา้าวแค่เนี้ย าาปัญหาต่อไปเมื่อรัฐบาลมีการร่างพรบรควบคุมขอทานฉบับใหม่ออกมากหลวงพ่อมีความรู้สึกว่าดีหรือไม่ครับมาได้อ่านข่าวนี้ก็รู้สึกว่าถ้าทําได้จริงเนี่ยมันจะตัดวงจรอุบาทที่ทําธุรกิจค้าขายขอทานหรือค้ามนุษย์ยมได้ทราบข่าวไหมตอนที่เขาเอาเด็กดีๆเนี่ยไปเอาหนังติกลัดให้แขนขาดขาขาดให้แขนตายขาตายเพื่อจะเอามาเป็นเครื่องมือขอทานตอนนั้นมีนะ แล้วก็มีมารับวางไว้ตรงนี้เย็นก็มารับกลับแล้วก็ไปกินหัวคิวแล้วมีขอตามที่มันเป็นข่าวไม่ดีตาอะไรที่วัดไรกินแอะ่ะทําบุญเป็นล้านเป็นแสนโอ้ตอนนี้ดันออกข่าวขอตามมีเงินล้านทําบุญอารมณ์คนจะเป็นไงกูตามากินเหนื่ยจนตายยังไม่ได้เลือทําบุญเปลี่ยนอาชีพดู <c oughs> ไม่ได้แล้วบางคนนี่ดีๆไม่จะมากินมาดูดิที่วัดตามาเนี่ยามาเลี้ยงไว้เนี่ย ขาไม่มีได้ยากเก่งแต่ก็มีอยู่หลายขาไม่ดีเสืีค้ายาบ้าเพิ่งโดนจับไปเมื่สองวันเนี่ยมันไม่ได้หรอกประเทศนี้จเจริญแล้วควรจัดนิคมไม่เขาอยู่เลยลตั้งงบอ่ะตั้งงบดูแลกันวันไหนจะไปให้เขาอยู่ที่ที่อ่ไปหาเขาที่ที่เลยใครตำบญวันเกิดไปให้เขาอยู่ในที่ยมตาบอดกล้เดินชนกันบนถนนเนี่ยต้องฝนตก กำลังเดินขออยู่ดีๆฝนตกตรงไหนล่มตรงไหนไม่ล่มก็ไม่รู้ชีวิตเขาทำไมถูกปล่อยอย่างนั้นควรจะจัดระเบียบซะมีกฎงกฎหมายซะให้แน่นอนแล้วควรจะออกที่ถ้าจัดขอที่ตรงไหนก็ต้องนัดประชาชนไปทำกันตรงนั้นไม่ใช่เดินเพี่ยนผ่านทั่วไปหมดมันไม่ไหวหรอกมองดูแลมันประเทศไม่มีระเบียบคนจะเดินรถจะเดินล้เขาก็ต้องเดินขอแล้ว โอ้โหมันตทะเลตุลังตอนฝนฟ้าตกเขาจะไปยังไงจะหนียังไงตาก็ไม่ดีเท้าก็ไม่มีอา้าวคงตอบไว้ได้แค่นี้ถ้าจับได้ก็ดีแต่ว่าก็อย่าให้จับแล้วเขาลำบากเขาอดตายจับแล้วต้องมาทําหมือนนิคมโลกเรื้อนอนิคมขอทานก็ว่าไปแล้วคนก็ไปทําบุญบนบ้านคนชะลาบรรพั น, นพิการก็ว่าไปทำได้ประเทศอื่นก็กทําแล้วเออบอกข่าวดีหน่อยโครงการอาตมารัฐบาล น, นี้ก็เกิดมองเห็น ที่กบินเขาขอร่วมแจมด้วยกระทรวงอะไรตรงเทาเดาดิกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาขอที่กระบินเพื่อภัยพิบัติอะไรเกิดขึ้นขอที่ตรงนั้นเป็นที่พักภัยพิบัติแล้วเขาบอกดิเขาจะหางบมาช่วยช่วยสร้างอาคารให้เราก็คงทนุนไปท่านผู้ว่ากอทมให้มาสิบล้านเขาก็ปลูกบานไปได้ครึบร้อยลังเดี๋ยวจะให้อีกตางกระทรวงนี้นะ แล้วก็จะทำที่พักให้สักสี0ห้าร้อยหลังกนลเกิดอะไรตึ๊บต้นตามขึ้นมาคนมาไว้ที่นี่เพราะตรงนั้นน้ำก็ดีแล้วน้ำก็ไม่ท่วมถ้าทางไม่รอน่องผ่านแผ่นดินไหวเลือกที่เหมาะแล้วทำเลดีหงจุยดีก็ยินดีที่จะให้เขาตกลงไปแล้วเดี๋ยวแค่เขาหางบมาให้เราก็ทำซื้อที่เขาใหญ่ตอนนี้ที่ก็ซื้อได้ถึงสี่ร้อยหกสิบไร่จะจ่เขาเดอนมิถุนานี้อีกสิบล้านจบ ได้ครบ460ลายเอา้ามีอีกไหมหลวงพ่อรู้สึกยังไงที่มีเว็บถล่มวัดเรื่องสุนัขที่ทางวัดรับ ด, ดูแลเลี้ยงไว้ค่ะ <c oughs> ตอนนี้คนเลี้ยงหมากับหมาเลี้ยงคนเนี่ยยมว่ามันชัดจะน่าดูแล้วนะยมได้ดูก่าวขึ้นวานที่เป็นสัตวแพทย์และตั้งมูนิธิเมตตาสัตว์รวยส่งลูกไปเรียนนอกเพราะอะไเคยมาที่วัดเนี่ยมาเรียกไรโ ย, ยม แล้วก็บอกมาซ้ำที่วัดมาอยู่จริงโอ้ได้ไปไร้ตังค์จะสร้างนู่นจะสร้างนี่จะทํานั้นทนํานี่แต่แล้วไม่ได้ทาําหรอกทาไม่เสร็จที่ออกข่าวเมื่อคืนวันซืนเนี่ยเมื่อคืนวันซื่นเนี่ ย, เ ข, น เ, นยเขาถาล่มหมอคนนี้ก็ไปตังบ์วันที่เมตตาสัตว์ไม่ใช่เลี้ยงสัตว์หรอกไอสัตว์เลี้ยงที่เลี้ยงหมารหรอกไอหมาเลี้ยงเนี่ยแล้วตอนนี้นะมันมีคนที่เคยเลี้ยงอยู่ที่เนี่ยแล้วมันไปรับตังค์เขา แ, แต่พอแตมารู้ข่าวก็มันชักเล่นไม่ดีแล้ะก็เลยให้ออก อูไมไปโพษนาลงเว็บลงอะไรด่าแต่มาน่าดูเลยดา่าบานเลยแต่กว่าจะเข้าใจกันได้มันทําถึงขนาดนี้นะโยมเที่ยวไปบอกสปอนเซอร์ใหญ่เราอะ่ะโรงเรียนอําพรภัยศาลอะไรอะไรเนี่ยเขาก็เป็นฝ่ายดูแลสัตว์อยู่ด้วยบอกจะไปช่วยเลยเนี่ยพระพยอมเนี่ยปล่อยหมาตายเยอะเลยเห็บเมันลงเห็บมายม่ยโยมันถ่ายหมาไม่เห็บยุะยไอตัวป่วยที่ตายมันถ่ายทํารุ่นมันทั้งนัน้นถ่ายเก็บไว้แล้วมาประจานเรา นั่เองพอบอกให้ไปดูเราก็กําลังทําที่พักให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นหมดไปทั้งล้านห้านะแต่เอาละกองสลากเขาให้มาล้านกว่าเราก็ทําไปแล้วก็โร้อนมากเลยสมัยที่หมูตกรบเขาก็ไปลงเวชจ่าผมก็เลยใช้คําว่าวัดนรกคือรืหมูตกรถ ม, ม, มาแล้วก็มีคนขับตามหลันมาแทบกลาเป็นหมอแกัน แล้วเกิดเมตาสงกาไหมูที่ตกแต่มูที่ตกมาเนี่ยมันก็บาเจ็กระดูกซโครงหักทิ้ก็ไม่ได้ตอดแค่เอาไปี้ยงที่กันบ้ไอไปเลี้ยว้ใบ้านทีับ้านเขาลูกลูกูมากเพราะว่าไอหมูมันเจ็บมันก็ร้องยังชาบานสิก็จนจ้าว่านเราแต่รศัพท์ไม่วัดแหวแต่ตอนมันอยู่ไปทางนูมีุน้องจอกเลยเลย เขาก็เลยให้สาขากระบินมารับไปเขาไปอยู่ในวิทยุวันเรามันสายเริ่มเน่ามันก็สายเจ้าของที่สายชีวิตกับรถที่ทดำตกนั่นน่ะรถคนรู้ที่ดำตกเขาจะไปลงข่าปรากฏกระเข้ามาเยี่ยมไปเยี่ยมหมูที่กรบินไปถึงก็ไปเจอไอเด็กคนพวกไม่รู้เรื่องก็ตามองหมู่ไปมันตอบก็เชื่อยไปเลยคืออย่างนี้ ตอนตายเยเขาก็ไม่ให้ปัะตูสดูว่าเโรไรก่อนไปกะระบแถวนั้นตอนกลับมาก็ไม่ได้เ็นโรคอะไรมันพิมพ์อไกดตรงีเล่าตายไอเด็กก็ตามาแล้วกินได้ไล้วตัวเองเขาก็บอกว่าคนปส่ประตากว่ากินได้ไปที่ในกอมนเล่าอ่าช่วงนี้ตรงนี้มันดีๆเด็กก็เฉือนกินกันส่วนที่เล่าก็ไปฝั น, นะเขาก็เลยดาว่าวัดนรกที่จริงแล้วหมูที่วัดจริงๆเอกไม่เคยทําแบบที่จะไปเชื้อแกงือกินแต่ว่าการเข้าใจกันไม่ถูกแค่หมูครับรู้สึกจะเจอเมตตาหมูมากกว่าเมตตาพระก็เลยตสงสารแต่ห ม, ไ ม, มูไม่สงสารพร ะ, ะในในไม่ตสงสารวัดไม่ตสงสารศาสนาอัดศาสนาด่าวัดในยันลมไรงเมตตาเอาอิจฉาที้เขามาขู่ด้วยนะ ก็บอกว่าหลวพ่อจะหมดชื่อเสียงไงที่ทามาเนี่ยถ้าลงยังไม่จัดการไปเหตุมกับคนอะไรนี้ทํามาก็บอกว่าไมได้วดหนายรักษาชื่อเสียงไม่ได้วดมาก็เิดอาชีพมาต้องวน่ารักษาพรามจัดเพื่อให้มดลดลงเพราะถ้าใครจะทาให้หมดชืเสียงก็ดีสทัคนจะได้ไม่มากวัวรมากห่างๆบ้างเราก็ได้เวลารักษามีเวลาดูตัวเองได้มากขึ้น เพราะฉะนั้นอย่ามาคู่ซยากเลยว่าถ้าหลงพ่อไม่จัดการอรตมาไม่จัดการชื่อเสียงจะหดหายไปตามสบายเอาละ่ะแต่ถามรู้สึกยังไงยมชักอยู่ตัวและโดนซะจนโดนบ่อยๆเขามันอยู่ตัวนะเอา้าหมดยังมีข่าวว่า ปีห้าเก้าหลวงพ่อจะไม่รับจิตนิมนต์เป็นเพราะอะไรครับเ อ, อจะตอบไม่หมดอะนะเพราะว่ายังต้องสงวนท่าทีไว้บางอย่างอันดับหนึ่งเลยจะทำเพื่อกระแทกกับไอ้พวกโกงวัดโกงศาสนาและโกงประเทศชาติอันดับสองอยากจะทำอะไรสักเรื่องหนึ่งที่คิดว่ามันน่าจะดีพอตลอนตลอนไปเทศแล้วก็อายุสังขารมันน่าจะหยุดได้บง้ง ของพ่อผู้ชราพออายุเจ็ดสิบหกสิบท่านก็ไม่ไปไหนอีกเลยหลังพิงถ้ำเลยหลังพิงวัดสู้เลยรับอย่างเดียวพอตะเวนไปหาเขาไม่เยอะแล้วและเรื่องที่มันแสลงใจที่สุดก็คือไปแล้วก็ทะเลาะกันยอ้อนจำได้ใช่ไหมที่โรงเรียน ร, รนบบนัตนบัณฑิตมานี่นมดแล้วรั้งโรงเรียนโดนเล่นงานผู้ปกครองนักศึกษาไปบอกว่าถ้าให้พระพยอมประเทศจะย้ายลูกไปเรียนที่อื่นถึงขนาดนี้แล้วก็หลายโรงเรียนมทะเลาะกัน เพราะว่ามันมีพวกชอบก็ไม่ชอบเหลืองกระแดงบวกได้นกหวีดตอนหลังนี่มันก็เกิดเรื่องวุ่นวายยังสีสเกตมีวันหนึ่งเจ้าแม่นักการเมืองคนหนึ่งนี่มันไปอผมพอไปคนสามพันพอไปถึงมีสามสิบสองคนเกิดอะไรขึ้นฝ่ายตรงข้ามเขาปิดการทุกอย่างบิดทุกอย่างเพราะถ้าเกิดในพระประยมเทศคะแนนก็จะไม่ทางฝ่ายทางนี้เขาก็ต้องทะเลาะกันบันปลายหมดเยอะหลายแหง ที่เราไปก็ทะเลาะกันนี่มันดีไหมโยมซึ่งอยู่ที่นี่แล้วเขามาฟังเนี่ยอย่างนั่งฟังวันนี้ยจะมีใครไหมที่จะบอรู้สึกเดี๋ยวกูจะตีลวนอะไ่าเงี้บเงที่มีนะโยมประเจศตรงพยาบาลแห่งหนึ่งเขาบอกเทศหาอรางี้พูดนี้เลยแล้วมันก็เดินไปเลยออกจากห้องเลยนี่ช่วงที่มันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยการแบ่งแยกแตกแยกของสังคมไทยเนี่ยทําให้ประเทศลําบาก จนมานั่งคิดว่าเราไปเขาทะเลาะกันไปทําไมไปเขาเกิดบาปสู้อยู่นี้บาปใครศรัทธาก็มาใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแล้วก็ใช้วิธีออกทีวีเอาทีวีตอนนี้ก็มาจองเยอะเลยเพราะช่องดาวเทียมมันไม่มีใครไปป้อนรายการไหนแล้วพระอื่นไปออกก็จะโฆษณาขายบุญทะพุดเราไม่ไปไปปุ๊บเราไม่ออกขายบุญทั้งมาก็ะขายมะม่วงนิดหน่อย <c oughs> ขายมะปรางนิดน โยบก็เลยคิดว่าอยากจะหยุดดูสักสามปีจะไม่ได้หมายความว่าไม่รับทั้งหมดเลยนะเช่นส ม, มุติพระเนนเทศธรรมะ ท, ทองพระเนนเป็นภาคเลยนะที่ก็มารวมจะให้เราไปแนะแนวอย่างเงี้ยอันนี้ไปครูเยไปเพราะครูจะได้ไปถ่ายทอดกับเด็กแต่ข้าราชาการกรมที่ดินเนี้ยไม่ไปแน่นอนแล้วก็จะทําเรื่องที่เราอยากทํารวบรวมคําสอนที่ทาเป็นหนังสือพวกเป็นเล่มใหญ่ๆเป็นหนังสือเขาเรียกธรรมะประวัติ ประวัติทิพครับไปอยอมไปเทศที่ไหนเรื่องอะไรฟังแล้วเกิดบรรยากาศอะไรขึ้นในยุคนั้นๆๆๆๆทำให้ไปเล่มใหญ่ๆเลยห้าร้อยหน้าสำเร็จแน่ภายในสามปีก็ล้วจะทำเล่มเล็กเล่มน้อยก็ว่าช่วงหยุดเนี่ยจะปัม้มหนังสือออกให้ได้ยี่สิบเล่มแล้วเราตายแล้วมันก็จะมีหลักฐานที่ชัดพระเนรรุนน้องรุ่นหลังจะเอาเป็นตัวต้นแบบเป็นไอดอลไอดอในเขาบ้างนะแล้วก็ อยากจะปรับปรุงอะไรบ้างอย่างที่เราไม่เคยเผยแพร่แบบนี้มาก่อนเช่งอยากจะจัดคอร์สปฏิบัติธรรมโดยการวางแผนเลยคนที่ไม่เคยมาเลยก็ไม่มาเลยมาส้ารุ่นหนึ่งพวกที่มาหลายรอบแล้วก็จัดพวกนี้สักรอบหนึ่งถ้าไม่ดีคัดออกห้ามมาอีกมาแล้วทําให้บรรยากาศเสียเนี่ยก็จะทําแบบนี้ก็ะจะไปจัดตามสาขาจะหอบพระไปทำสามวันสามคืนไม่ให้มาวัดแบบจิ้มดูด มันปัดกับไอ้พวกวัยพระกาวัดนี่น่าเบือ่อพอมาถึงเราวัดแรกก็จะเทปนิดเดียวหลวงพออ่อจะเทปนานอีกแปบวันไปไม่ทันเราก็จะจับเป็นคอรดซ้ําวันซ้ำเกินเฉพาะพวกที่ไม่เคยก็ไม่เคยเลยมันเหมือนกับอนุบาลไปเรียนกุศมศึกษาสอนลําบากมันต้องสอนคนเฉพาะเรารู้เลยคนเนี้ยอยู่นานแต่มีปัญหายเยอะจะได้เทปอัดตรงนั้นแหละอัดต่มันก็เจิงระเบิดไปเลยไม่งั้นก็ไม่ได้อะไรเอา้ามีอะไร ช่วงนี้มีข่าวว่าพระมาัากจะขุดซากศพมาเสกมาเป่าค่ะทำริษทําเดชให้กับศพเด็กตายโหงบ้างศพลอยน้ําศพตายท้องกลมอะค่ะไม่ทราบว่าหลวงพ่อมีความรู้สึกยังไงกับข่าวที่ออกมากับพระแบบเนี้ยค่ะก็อย่างที่บอกว่าพระพวกนี้เป็นพระพัดจักหลักก็เลยผักไปอันเดียไปหาริษจากศพตายท้องกลมตายโหงลอยน้ำตายผูกคอตายและเป็นอย่างไง ปู่หลวงตาหลวงพอ่อล้วนั้นโดนจับศึกไปไหลายองค์ในปีนี้เขาไปขุดเขาแล้วก็แจ้งคว า, ามขโมยศพเขาไไหลาวลัองอ่านที่อ่านเดชก็ไปคุยกับพุเจ้าใหญ่ก่อนไปสนธนากับพุทธเจ้าไปคุยกับปีญญาปิทิศก็แต่แปลเวลาดีเอ็นไอเรียเขาสอบไม่ไปไม่อยอไปโบเป็นเรื่องพัดหลักแล้วก็อเอไปหาฤิธ อย่างที่มาบอกแล้วว่าถ้าเรายังจับหลักไม่ได้เราก็จะเป็นชาวพุทธเล่รอนหาลิบไม่มีที่สุดแล้วคนนึกว่าลิบจะจะบรรดาลทุกอย่างติตัวเองต้องการได้มาขอหวยอย่างเงี้ยทุเล็หลักการได้รัพยบมีแหละมากินกรยันเหงื่อเหงื่อก็ะหวยไหนจะทําให้รวยไวเพื่อนเอาแล้วตอบสรุปคําเดียวพระพวกพัดหลักก็หักเหก็หาลิบตามแบบเดียวกับเนนแอเอาตอบแค่นี้แหละ ต่อไปข่าวโฉนดที่ดินที่ออกโดยรัฐบาลโดยสารสั่งมีรองอธิบดีกรมที่ดินยืนยันสินอนุมัติว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้วปล่อยให้เขาสร้างเสร็จต่อมาภายหลังมีข่าวว่ามีผู้ไปตรวจพบว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายผิดอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะดีนะที่ข่าวที่ออกเนี่ยเขาบอก คนที่เขาเสียหายเขาก็บ่นว่าแล้วตอนนั้นหน่วยรันราชการตำบลอำเภอจังหวัดที่ดินจังหวัดป่าไม้จังหวัดสารเสริญอะไปหดกระดองกันอยู่ที่ไหนไปตลบอยู่มุมมืดไหนปล่อยให้เ็าทาเสร็จแล้วจึงออกมามันสร้างความเสียหายเนี่ยเมืองไทยมันจะต้องมีคนอย่างยายไฮยายสมใารัตนาจัจเทพยสมในกระจกอสี่แกขึ้น รถไฟฟรีมากระทรวงยุติธรรมพราะแกถูกจับติดคุกที่ของแกโดนโกงแล้วแกยังติดคุกอีกคือคนถ้าเป็นราชการแล้วมันรู้กฎหมายแล้วมากฎหมายมาทําลายประชาชนออกกฎหมายมาทําอะไรมาให้ประชาชนเสียหายแล้วยังมีหน้ามาต่อว่าว่าพวกเราทําได้มาโดยไม่ชอบไปกฎหมายแล้วผู้ที่ร่วมกระทาให้ได้มาโดยไม่ชอบไปกฎหมายทําไมไม่มีความผิดอย่างคดีของาตมาเนี่ยมันมีทนาย แต่งเรื่องให้สันนนพิจานาสันนนพิจารณาแล้วบอกต้องออกโฉนดได้แล้วสังคมที่ดินให้ออกโฉนดกรมที่ดินก็ปัม๊มโฉนดมาเป็นนางวันธนานังวันธนาก็นํามาเสนอขายวัดวัดก็ซื้อไว้ก่อนจะซื้อก็ไปถามกรมที่ดินว่าโฉนดอย่างนี้มีปัญหาไหมซื้อได้ขายได้ไหมก็ติดจำนำทกศอะไรไหมช่วยตรวจสอบไปหน่อยก็บอกหลวงพ่อพยอมนี่เป็นพระอะไรขี้ระแวงคุดตัวแดงแฉอยู่ที่โฉนดทำไมจะซื้อขายไม่ได้แล้วก็ซื้อพอซื้อมาแล้วสามปีถูกยึดคืนละครห้าตัว ตายตัวเดวีตัวแต่งเรื่องทนายไม่ผิดศาลสั่งให้ออกโฉนดก็ไม่ผิดกรมที่ดินปั๊มโฉ น, นดมาก็ไม่ผิดคนเอาโฉนดมาขายกับเราก็ไม่ผิดใครผิดกวัดผิดและละครห้าตัวมันร่วมคิดร่วมทํามันร่วมโอนร่วมออกร่วมปั๊มออกมาทําไม่มันไม่ผิดเห็นไหมที่พูดเปไปข่าวดังคุณทยุิญญาณแรกเห็นมากกว่าํามส้าว่าบนบนแค่นั้น พวกที่โดนปนัาเรื่องที่ดบอกว่าตอนแรกทำไมไม่มีเจ้หน้าที่ไปดูเพราะฉช้อยู่กันไหมไปหลบอยู่มืมมดไหนเรื่องนี้เนี่ยสมาวา่าไม่ได้เพิก่วยหรอกขอเนะขาเพิกเฉยยุ่งเขาก็มาแล้ก็เวยกันได้พอก็ควรเนะี่แต่ที่อื่นๆเนี่ยเขาเฉยกันไปเยอะเพราะเขโผล่จากมุมมืดมาก็มาว่าตงรตงนั้นผิดตรงผิดคนนั้นลุกคนกคนี้บก จะถามว่าแต่ตอนที่เขาเริ่มุกเริลุกหดหัวปต่หามุงมืดกต้องให้ลบผิวพอก็ะทำเสร็จยืดหัวมาแล้วออกจากมุงเลิมาแล้วเลิกกระทำนี่กูเชื่อมันมีกรรมสิทธิ์ที่ทุ่มลงทุนซื้อแล้วใครจะไม่ลงทุนทบรูปพัฒนาพอัำเสร็จเขามายึดแต่ไม่ไหวให้พวกเพิกช่วยก็เพราะประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้ไง กฎหมายมันเป็นอย่างนี้มันถึงได้ทําให้วุ่นวายทำให้คนเสียหายประชาชนเสียหายเพราะระบบราชการเนี่ยเยอะมากขอยรัฐบาล น, นี้อยู่สักปีสองปีลุยเรื่องนี้จบเถอะแต่กลัวว่าลุยไปแล้วก็ลุบหน้าประจมุกไปเจอของนายทหารทําไงนายทหารรุ่นพี่ด้วยน้องจะฆ่าพี่ไหมเห็นบอกว่าไม่ฆ่าน้องอะไรนะไม่ฟ้องนายเอา้าการค้าขายของพวกห้างใหญ่ๆบุกตลาด ตีโชหวยร่มสลายและเทะอย่างไรคะอาตมาบังเอิญเมื่อสักห6หคืนเ็ดคืนมาเนี้ยดึกแล้วออกมาเดินตรวจงานกลับไปมันก็ยังอีมีข่าวอะไรเช็คทางโทรทัศน์หน่อยก็ไปเจอช่องเออทีวีเก่าเจอคุณสนติกำลังพูดเรื่องโอ้โหโดนใจคืนนั้นไม่ได้นอนเลยฟังสองชั่วโมงยันจบจากตีหนึ่งยันตีสามออฟังแล้วอนาจใจ ที่บอกว่าประเทศอื่นเนี่ยถ้าตระกูลนี้รวยแล้วขยายห้างได้กี่ห้างกี่ภาคเขาจะต้มเลยของเราไม่ยอมหยุดเลยคอยมีมือยาวเสาวได้เสาเอาอุคุนสนทิเอามาแฉดีน่าดูเลยอย่างซีพีเนี่ยเขาทําธุรกิจแบบผูกขาดหมดพืชสัตว์อะไรก็จะมีต้องมาซื้อจากเขาอาหารหอื่นหมดเลี้ยงหมดเลยเขาปรุงจรตอนนี้เขาก็ส่งคนมาโตกับคุณสนทิว่าเนี้ยเขาทําธุรกิจครบวงจร ไม่ได้ผูกขาดแต่สนธิตะเลนแรงวงจรเตี่ยวนี่อันนี้มันเป็นเรื่องที่โอ้โหคนเนี่ยมันก็เหลือเกินในคนที่ไปซื้อของเนี่ยมันก็เดินผ่านห้างแต่ลืมดูคนปิ้งข่ยปิ้งไกยปิ้งลูกชิ้นซึ่งคนปิ้งปิงของขายหน้าเซเว่นเนี่ยเขาก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขาก็ต้องส่งลูกเรียนเขาก็ต้องจ่ายค่ารับข้าวแต่เขาขายของไม่ได้คนเข้าห้างเข้าเซเว่นหมด แกพูดอยู่คหนึ่งตมามจอบมากว่าคนประยุทธ์ยันโอชาถ้าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ต้องไปอ้อนวอนให้คนรวยช่วยคนจนเพียงแต่คนรวยหยุดขยายโอกาสปล่อยให้โอกาสคนจนได้ขายบักจะไปปูกสมดทุกเรื่องทุกอย่างเมื่อก่อนนี้ดิฟฟังแกนะธรรมจําไม่ค่อยได้ทั้งหมดแต่โดนใจมากคืนนั้นฟังยันจบเลยธรรมดาก็ไม่ค่อยได้ฟังเท่าไหร่เพราะเกเคยดา่าธารมาไว้เยอะแต่คราวนี้รู้สึกพูดดีมากเลย พูดสัจธรรมที่เห็นชัดเลยว่าเราไม่ต้องให้คนรวยมาช่วยคนจนเราเพียงปิดโอกาสของตัวเปิดโอกาสให้คนอื่นบ้างคุณก็ขยายห้างไปทั่วหมดเนี่ยต่อไปเนี่ยไปดูนะต่อไปวัดสวนแก้วก็จะขายแล้วไม่ค่อยออกอะ่ะมันจะไปเซ็นท่านบางใหญ่ที่ดีหมดแล้เวเล็กมึงจะขายอะไรได้เนี่ยมหาทุนการศึกษาจะได้เปล่าถ้าเราไปขอที่ตังขายก็จะให้หรึเปล่าในห้างพุทเกษตรแถวนี้จะได้อะไรถ้าเขาขายแล้วให้ขายแต่เขาเก็บค่าที่แพงมันจะยังไง มันก็มีโชว์หวยาตายก็ตายล้มเล็กก็แย่ yeah. ตอนนี้เนี่ยคนขายเล็กขคยน้อยไอ้ที่กทมก็มาไล่ปรับจัดระเบียบอีกเท่ากับตอนพวกนี้เข้าเซเว่นหมดคนจนหมดเสียโอกาสแล้วที่ดินเขาก็ซัดไปตั้งเยอะแล้วก็รวยกันอยู่กี่ตระกูลล่ะเซนทันซีพีเบียร์ช้างก็อยู่ แล้วคนไทยก็สันดานจริงๆนะไม่อุดหนุนคนยากคนจนก่อนจะเข้าเซเว่นซื้อสักชิ้นสองชิ้นห้าบาทสิบบาทปากทางเข้าเซเว่นน้าพอให้เขาได้มีสตางค์ส่งลูกเรียนบ้างนี่โยมทำจริงอะ่ะถ้าเราซื้อพวกนี้เนี่ยเราเมตตาสงสารเขาเนี่ยเท่ากับเราได้บุญไหมตรงกับที่ว่าเมตตาครั้งดีพระสร์บทหลังเรื่องนี้บางทีชาวพุทธมองข้ามมองข้ามเกินไปถ้ามีหัวใจสงสารเขาซื้อเขาสักหน่อย เขาสามาปิ่งยางฟันตลบเนี่ยหรือไม่ซื้อก็วางตังไว้เขาหน่อยให้เขามีโอกาสได้ส่งลูกเรียนบ้างเดี๋ยวนี้การผูกขาดเนี่ยโอ้โหมันน่าอนาตใจมากๆน่าอนัจใจทําให้คนที่ดอยโอกาสเสียยอกัดแล้วยบเดี๋ยวยเขาจะปลูกอะไรต่ออะไรนะเขาจะปลูกครบวงจรหมดนี่แล้วเขาใช้คาว่าเนี่ยไม่ได้ผูกขาดแต่เป็นธุรกิจครบวงจรมันก็เลยคนทุนมันเยอะ มันก็สามารถที่จะปึ้งปุ้งปุ้งปุ้ง ป, ง ป, ง ป, งปงว่าไอ้คนจรที่ไม่มีทุนตายเลยแล้วตอนนี้เนี่ยดูสินี่นอกระบบโอ้โหทาลุนเออร์ยอมยังไงก็ขอฝากว่าให้เมตตาวัดสวนแก้วสักนิดเดือนเมษา่าไปซื้อผลไม้ที่อื่นเลยให้โชว์หวยวัดสวนแก้ ว, ก ว, ว, ว, กวพอได้อยู่เลี้ยงหมาเจ็ดร้อยตัววกไปสองร้อย200กว่าคนชลาเก้าสิบกว่าเด็กมาหาทุนสี่้าร้อย โยมจะไปซื้อที่ไหนไปซื้อที่ห้างเราก็รวยไปแล้ววัดสูนแก้วเด็กมันยากจนมาขอขึ้นเรื่อยๆวัดเราเนี่ยเพราะงิ้นมีบารมีที่้ก็มีเงินพระเราอาจจะมีเงินน้อยแต่เราก็ที่บารมีของเราเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่คิดมีบารมีแล้วมีองินตะพตะพื้นราวังนะหาเงินเก่งแต่หาทางกลับบ้านไม่ได้อยู่นี่ก็จะมีเจ้าสวยจะมี คนรวยพี่เขาพูดกันเล่นเองอาจจะต้องไปอยู่กลางประเทศเหมือนคนนั้นคนนี้แล้วกลับบ้านเนี่ยก็แสดงว่าเก็งหาเงินแต่ไม่ถึ็งหากางกลับบ้านได้ก็น่าเป็นห่วงฝากไว้แค่เนี้ยว่าห้างใหญ่ผูกขาแต่โยมสามารถแหวกออกมาได้ไหมมันไม่ใช่คําพูดที่พูดเมื่อกี้เนี่ยมีคําพูดพลาดอยู่คำหนึงของคุณธนินที่จริงแกก็พูดดีแกบอกเงินในโลกนี้ต้องเป็นของเรา ทรัพยากรในโลกนี้ต้องเป็นของเราคนในโลกนี้คนดีๆต้องเป็นของสีพีไอคนที่นั่งวางกูไม่เป็นของมึงเยมีมพูดพลาดไหมในในโลกนี้ต้องเป็นของเขาทรัพยากรนี้ต้องเป็นของเขาไม่ได้พูดอย่างงี้ไม่ได้เห็นแก่ตัวสมทิบอกอ่างกาศเนี่ยเพราะนั้นเราก็ต้องอยังไงนะชาวพุทธเราต้อมาขออย่างเดียวเถอะเชื่อพุทธเจ้าสักนิดเถอะท่านบอกว่าถวายท่านอ่ะสิบหกครั้งยังไม่เท่ากับมีเมตตาสงสารคนยากคนจน ช่วยเขาซื้อเขาเขาหากินแต่ขอทานเนี่ยยอมก็ดูแล้วกันนะไม่ใช่เธอขอทานก็มือดีเท้าดียอดไอ้กระพุธทําบุญเป็นล้านแต่อิม่มยังไงก็อย่าเอามาออกข่าวบ่อยเลยคนที่ขอทานแล้วรวยแล้วก็คนรวยยังไงก็ไม่ต้องมาช่วยคนจนแล้วเปิดโอกาสหลีกทางให้คนจนได้รวยบ้างแค่นี้แหละอย่าผูกขาดซะทั้งหมดขยายได้ก็ขยายไม่หยุดขยายไปตูมที่ไหนตรงแถวนั้นก็ละแวกนั้นก็เล่เลยช่วย อขออวยพรให้ทุกท่านมีชีวิตที่ดีงามอยู่กับคำว่าถูกต้องเหมาะสมทั้งด้านความเชื่อทั้งด้านเมตตาปราณีทั้งด้านจับหลักศาสนาให้ดีเพื่อจะได้มีชีวิตของชาวพุทธที่เด่นชัดว่าชาวพุทธไม่ใช่พวกงมงายเชื่อง่ายแล้วไม่เชื่อคำว่าไม่เชื่ อ, อย่าลบหลูกถึงได้ฟังคำนี้แล้วถึงเชื่อก็ต้องศึกษาให้ดีเพื่อจะได้เป็นคนฉลาด สมกับคำว่าเป็นพุทธบริษัทแปลว่ า, าบริษัทของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยกันทุกท่านทุกคนเธอ